ก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายามเกรงพอเขาเคารพมากก็เอาอะไรมาถวายเอาจีวรบิณฑบาตเนาสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายามเกรง ได้จีวรบิณธาบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพสัตบริคารทีนี้เมื่อมีผู้ได้ก็ต้องมีผู้เสียใช่ัหมก็เลยมีส่วนอญย่าเดรธีปริภาชคคือนับบวชนอกาศาสนาะเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรงก็เลยไม่ได้จีวรบิธฑบาตเสนาสนะคิลานปั จ, จัยเพศสัตบริคารก็คือ ขาดลาบสการะขาดปั จ, จัยสีนั่นเองครั้งนั้นแลพวกอัญญะเดรทีปริภาชกนะอดกลั้นสการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุ ส, สงฆ์ไม่ได้แปลว่าระงับความริษยาไม่ได้นะเห็นเห็นฝ่ายตรงกันข้ามมากไปด้วยปัจจัยนี่นะนะอีกฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ทนไม่ได้เพราะว่าพวกไอริษยาตาร้อนเนี่ยก็เครียดนะ เพราะฉะนั้นเห็นที่สุทั้งหลายในบ้านหรือในป่าแล้วก็ย่อมดา่าบริพาสเกลยวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายไม่ใช่ของสัตว์ปรุษประชาชนนี่ก็เคารพ บ, บูชามากเดียร์ถีก็ด่าเอาด่าเอานี่นะแสดงว่าหูเดียวกันนี่แหละอีกภาคหนึ่งได้ยินคำชมมากอีกระยะหนึ่งก็ถูกด่าอีกละนีนะ่เดี๋ยวก็ถูกชมเดี๋ยวก็ถูกด่าอยู่นี่แหละเนาะเพราะมีหูแท้ๆเลยเนาะ ครั้งนั้นแลภิษูุมากด้วยการเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนเนี่ยสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงทรงได้จีวรบินทบาเสนาสนะและกิรณปัจจัยเพสัตว์บริขาร แม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตวบริขารส่วนพวกอัญญาเดียรถีปริภาชกเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรงก็เลยไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกอัญญาเดรถีปริภาชคเหล่านั้นอดกลั้นสการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและของภิกษุสงฆ์ไม่ได้เห็นภิกษุสงฆ์ในบ้านและในป่าแล้วย่อมด่าบริพาทเกลียวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายไม่ใช่ของสัตว์บุรุษก็พอเสื่อมลาบฝ่ายตรงข้ามเจริญขึ้นเจริญขึ้นฝ่ายนี้ก็ทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็ความที่ไม่ได้อบรมจิตใจมาเนี่ยนะก็ ตำหนิดูหมิ่นดูแคลนดา่าแล้วก็เป็นคำดา่าชนิดที่เรียกว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายเขาไม่ทํากันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วคือทราบทั้งทราบโล ก, กธรรมเป็นอย่างดีนะพระองค์ทราบโล ก, กธรรมในฝ่ายที่มหาชนสักการะขณะเดียวกันก็รู้อย่างดีถึงฝ่ายที่คอรหาเนี่ยนะฝ่ายที่ตําหนิติเตียนพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ท่านทั้งหลายผู้อันสุขและทุกถูกต้องแล้วในบ้านในป่าไม่ตั้งสุขและทุกนั้น่ะจากตนไม่ตั้งไม่ตั้งสุขและทุกนั้น่ะจากผู้อื่นภาษาทั้งหลายย่อมถูกต้องเพราะอาศัยอุปธิภาษาทั้งหลายพึงถูกต้องนิพานอันไม่มีอุปธิเพราะเหตุไรเล่าก็ธรรมดาใช่ไหมภาษะสุขทุกในบ้านและในป่า สุนในบ้านใช่เวลาเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านมหาชนเนี่ยเคารพสการะบูชานับถือกราบไหว้ถวายจีวรถวายอาหารถวายที่อยู่อาศัยขณะดเดียวกันพอไปในป่าเดือรถีมาดา่าเอาดา่าเอาดา่าเอาแล้วเข้าเมืองคนบูชาเข้าป่าคนก็ดา่า น, นะเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่ใจในสุขในทุกเหล่านั้นพันเวลาที่เขาชมในบ้านก็อย่าไปดีใจ นะก็คือไม่ควรไปใส่ใจหลงระเริงเพลิดเพลินด้วยอำนาจฉันราคาเวลาไปอยู่ในป่าถูกเขาด่าก็ไม่ควรเสียใจยอีกนั่นแหละแล้วก็ไม่ควรจะไปอะไรนะไม่ควรจะไปให้ค่ากับคําชมแล้วก็ไม่ควรจะไปเสียใจกับคําคําตําหนิเหล่านั้นเพราะเพราะว่าภาษาเหล่าเนี้เกิดจากอะไรขออภัยนะสุขทุกเกิดจากอะไร สุขทุกข์นี้เป็นเวทนาใชมมีภาษะเป็นปัจจัยภาษะนี้เพราะอาศัยอุปธิอุปธิก็คือตาหูจมูกเลนกายใจเพราะมีตาหูจมูกเลนกายใจนั่นแหละจึงมีภาษาภาษะกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ก่อให้เกิดความสุขภาษะกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นสุขทุกข์ทั้งมวลมาจากภาษาภาษะก็มาจากตาหูจมูกเลนกายใจ ถ้าหากว่าไม่มีตาหูจมูกลล่นกายใจเนี่ยนะถ้าไม่มีผัสสะเพราะดับอุปธิได้แล้วหรือแปลว่าถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเนี่ยนะไม่ต้องอาศัยอุปธิแล้วเนี่ยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกจะมีอีกหรืองั้นพระองค์เนี่ยคิดเลือกซึ้งถึงขนาดว่าถ้าไม่มีหูเนี่ยจะถูกชมถูกด่าไหมเนี่ยนะก็แปลว่าถ้าไม่มีขันธธาตุอายตนะ จะเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นชมและจะเป็นที่ตั้งแห่งการดูมดหมิ่นเหยียดหยามไหมก็เพราะมีกายนี่แหละจึงมีสุขมีทุกข์ก็เพราะมีอุปธิคือขันนี่แหละจึงมีสุขมีทุกข์อันท่าไม่มีอุปธิไม่มีขันอายตนะผัสสะทั้งหลายจะรับกบ็จะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์ไม่ได้ไปอะไรนะไม่ได้ไปคิดเออดีนะที่เขาชมโอ้มาเสียใจที่เขาด่าไม่ เพราะมีขันธ์มีอายตนะแท้ๆเนี่ยนะจึงได้รับคำสรรเสริญและก็ถูกตำหนิพูดถึงเรื่องราวความเป็นไปก่อนที่จะมีพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ส ก, การะด้วยเครื่องส ก, การะเป็นต้นอันเจริญยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นอันเป็นผลแห่งบุญสมภาระ และคุณนวิเศษที่พระองค์ในทรงบำเพ็ญมาสี่อสงไขยกาไรแสนกับประหนึ่งเกิดความอุตสาหะขึ้นว่าเบื้องหน้าแต่นี้เราไม่มีโอกาสบุญทั้งหลายที่เคยสั่งสมนะโดยเฉพาะชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่6ตลอดมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะบุญเหล่านั้นเจตนาเหล่านั้นเนี่ยลงังเลตามมาให้ผลเพราะอะไรเพราะกลัวจะไม่มีโอกาสให้ผลเรียบให้ผลใหญ่เลย จึงอยู่บารมีทั้งปวงเนี่ยเป็นเหมือนประมวลมาเป็นเหมือนประมวลกันว่าจักให้วิบากในอัตภาพคือชาติเดียวจึงบรรดาห่วงน้าห่วงน้าอันใหญ่คือลาบสการะให้บังเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะบุญของพระองค์เนี่ยกระตุ้นทำให้บุคคลทั้งหลายได้ยินถึได้ยินชื่อพระองค์เห็นพระองค์ก็น้อมไปเพื่อที่จะบูชาสการะใช่ไหมเพราะผลบุญ เหมือนเมฆใหญ่เนี่ยเป็นคู่คู่ตั้งขึ้นทุกทิศทําให้เกิดห่วงน้ําใหญ่ฉะนั้นเพราะผลบุญนั่นแหละเป็นปัจจัยกษัตริย์และพราหมณ์เป็นต้นต่างก็ถือข้าวถือน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลประทีปโคมไฟเป็นต้นเนี่ยมาสแสวงหาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้เป็นเทพแห่งเทพพระผู้องค์อาจในหมู่ชน พระผู้ประหนึ่งราชสีในหมู่ชนประทับอยู่ที่ไหนสแสวงหาพระพุทธเจ้ากันจึงเอาเกวียนร้อยเล่มบรรทุกปัจจัยสีนี่มาเมื่อยังไม่ได้โอกาสจึงเอาทูปเฟียนกับทูปเฟียนเนี่ยจดกันแม้ในที่ประมาณคาวุธ1หนึ่งโดยรอบพักอยู่ติดตามไปเหมือนอันธกะพรามและวินทพรามเป็นต้นนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยขนสเบียงขนปัจจัยสี่ บางคนเนี่ยค้นปัจจัยสี่มาสามเดือนนะยังไม่มีโอกาสจะทําบุญเลยนะจนจนต้องเอ๊ะทำยังไงดีก็ให้พระองค์นอนุญาตอะไรนะคล้ายๆกับเรือนคลังเก็บเก็บเสเบียงเก็บอะไรเนี่ยเรียกว่าโรงครัวเนี่ยนะเพราะไม่มีโอกาสได้ทําบุญสักทีหนึ่งนะนะติดตามมาสามเดือนแล้วก็มีทีนี้ลาบสการะเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าฉันใดก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์เหมือนเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉันนั้น เพราะท่านเหล่านั้นอย่างพระสารีบุตรสั่งสมมาแสอันหนึ่งอสงไขยแสนกับใช่ไหมพระอื่นๆก็สั่งสมมาเป็นแสนกับเมื่อบุญท่านสั่งสมไว้เยอะท่านให้ฐานไว้มากลาบสการะก็เกิดขึ้นลาบสัการะปัจจัยเหล่านี้เป็นผลของบุญเก่าที่ทำให้ให้ได้รับอ น, นะดังที่พระองค์ตรัสว่าจุนทะบัดนี้สงหรือคณะมีประมาณเท่าใดเกิดในโลกแล้วดูก่อนจุนทะ เราไม่มองเห็นสงหมู่อื่นแม้หมู่เดียวพูดถึงความเลิศด้วยลาบและยศอย่างนี้เหมือนภิกษุสงนั้นจุนทะลาบสการะนี้นั้นเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงหาประมาณไม่ได้เหมือนห่วงน้ำของแม่น้ำใหญ่สองสายรวมเป็นสายเดียวกันพ่านก็เลยลาบสการะเกิดขึ้นมากจริงๆินี ฝ่ายเดียรถีทั้งหลายอันใครๆไม่สักการะไม่เคารพเพราะเป็นผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ในปางกรนะเหตุผลก็คือไม่ได้ทำบุญไวใช่ไมเมื่อไม่ได้ทำบุญไว้าลาบสักการะจะเกิดได้อย่างไรเพราะลาบสักการะวัตถุที่น่าปรารถนาทั้งหลายเป็นของผู้มีบุญนะเป็นสมบัติของผู้มีบุญแล้วประโยค่าก็ผิดอีกใช่ไหมประโยค่าก็วิบัติเพราะเดียร์ีนี้ปฏิบัติผิดปฏิบัติในมิจฉาปฏิปทา ว่าโดยพิเศษทางพุทธบาตรการเนะ่เป็นผู้มีความงามวิบัติหมายว่าเดียร์ทีเนี่ยตัวเองก็ปฏิบัติผิดอยู่แล้วแล้วมาเกิดในสมัยแข่งต้องแข่งกับพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยมันจะวิบัติขนาดไหนใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นก็เลยหมดรัศมีหมดเดชเสื่อมลาบสการะเหมือนแสงหิงห้อยในยามพระอาทิตขึ้นอับเ้าเลยนะพวกเขาเหล่านั้นก็อดกั้นลาบสการะคืออดกั้นริษยาเช่นนั้นนะนะ หมายความว่าปล่อยให้ริษยากำเริบขึ้นกำเริบขึ้นเพราะทนไม่ได้เลยในลาบสการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพี่สุสง์ถูกความริษยาครอบงำจึงริษยาว่าเราจะด่ากระทบพวกเหล่านี้ด้วยพฤสวาจาวาจาที่เป็นคำหยาบนะเหมือนกเอาขวานเอามีดเอาไคอยทิ่หมหูเขาอะอย่างนี้แล้วก็ไล่ให้หนีไปทําการริษยาเป็นฆ่าศึกเที่ยวดา บ, บริภาศ ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นๆก็ถือว่าเป็นคำพูดที่หยาบมากเลยนะเป็นคำพูดที่หยาบก็ว่าไม่มีคำเหล่านี้เขาไม่มาพูดในที่ชุมชนกันเป็นวาจาหยาบเป็นคำพูดที่ตัดความรักตัดความอาลายัยอาว ו ์ตัดความเยื่อใยด่ากระทบชาติกระทบตระกูลเป็นต้นบางทีก็ทำให้เกิดความกลัวเนี่ยนะปริภาสาันติคุกคมให้เกิดความกลัวอันนี้เรียกอะไรนะูใช่ไห ไปขู่หรือไปขู่อะไรนะเขาเรียกคล้ายๆกับไปขู่ไว้เลยนะทำไม่ไปเนี่ยโดนแม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแบบนั้นแหละพอเลยพวกนี้ก็เลยเกลี้ยกล่อดพยายามจะเบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์โดยประการต่างๆถามว่าอย่างไรพวกเหล่านี้จึงพากันด่าเป็นต้นให้เกิดในพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมสายรอบด้าน ทำไมนะน่าจะเลื่อมใสใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีบุญขนาดนั้นน่าเลื่อมใสขนาดนั้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญมาเดียร์ธีทั้งหลายน่าจะเลื่อมใสไม่ใช่หรือแต่ว่าพวกเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตถูกกระทบกระทั่งเพราะตนเสื่อมลาบสการะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นก็เลยพากันนัดแนะกะนางสนธิกาปริภาชิกาให้นางประกาศโทษของพระาศาสดาและพิสูจนทั้งหลายแล้วจึงทําการด่าเป็นต้น เหมือนคนขุดดินพลาดล้มไปและเหมือนคนทําตําหนิให้เกิดในแก้วไพลทูลที่ไม่มีตําหนิเช่นั้นส่วนเรื่องของนางสนทริกาปริภาชิกานี้จะมีต่อไปในสนธิกสูตรข้างหน้านี่นะก็สรุปว่าถูกด่าตลอดเลยนะถูกด่าแต่เขามีเขามีสร้างเรื่องก่อนแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมาด่าพรวดเลยเขาสร้างเรื่องขึ้นมาก่อนสร้างเรื่องก็คือสร้างเรื่องโดยการฆ่านางสนทริกานี่แหละ ข่านางสุนทรีกาปริภาชิกาก็อาศัยเหตุนี้ก็เที่ยวโพนธนาดาพระพุทธเจ้าดาพระพิสุสงกันใหญ่เลยหลังจากที่พระพิสุทั้งหลายกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ฟังในอัตถาหน้า186รบอกว่าเอตมัตถังวิธิตวะคือพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงการปฏิบัติผิดนี้ของเดียรถีผู้ถูกความริษยาครอบงำ พระองค์ก็เลยเปล่งอุทานว่าเปล่งอุทานที่แสดงถึงความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่ตาที่โ น, โนเนี่ยนะคงที่หมายค่ะว่าไม่ยุบลงหรือไม่ฟูขึ้น น, นะในประการอันผิดที่พวกเดียร์ธีเหล่านั้นกระทาในอุปการะที่ชนเหล่าอื่นผู้มีจิตเลื่อมใสกระทาพระองค์ไม่ยุบลงเลยเพราะเดียร์ธีด่าแล้วก็ไม่ได้ฟูขึ้นเลยเพราะ มหาชนเลื่อมใส่ก็คือแสดงถึงว่าพระองค์เป็นผู้คงที่จริงๆก่อนข้อความในคาถาบอกว่าคาเมอรัญเยสุขาทุกขะพุทโขความว่าผู้ถูกสุขและทุกข์สัมผัสแล้วคือเสวยสุขและทุกข์ในที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะบ้านหรือป่าหรือพรั่งพร้อมด้วยเหตุแห่งสุขและทุกข์เหล่านั้น สุขทุกข์นี้เกิดจากผัสสะใช่ไหมอาจจะไปรับกระทบถูกด่าในถูกชมในหมู่บ้านหรือถูกด่าในป่าหรืออย่างใดก็ตามสรุปก็สุขทุกข์เหล่านี้ก็ไหลมาจากทวารหนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าตั้งสุขและทุกข์นั้นจากตนหรือจากผู้อื่นเลยว่าเรานี่ได้รับสุขได้รับทุกข์เพราะเรานี่แหละหรือเพราะผู้อื่นเป็นปัจจัยเนี่ยนะห ม, มายว่าอย่าไปป้ายความผิดโยนให้ใครแบบนั้น ว่าสุขทุกข์ของเราสุขทุกข์นี้ของคนอื่นให้เกิดแก่เราถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าในขันทัปปัญจกะคือขันห้านี้ไม่มีสิ่งอะไรอะไรที่ควรจะเห็นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราแล้วก็ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นของคนอื่นมันก็คือขันห้านั่นแหละวนะขันห้ามันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขันห้านั่นแหละ เป็นแต่เฉพาะสังขารอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นตามปัจจัยแล้วก็แตกไปทุกขณะขันห้าเกิดไปตามปัจจัยแล้วก็แตกไปทุกขณะพระพุทธเจ้าไม่ได้สนใจในภาษาโวหารที่คุยกันเลยสนใจว่าทั้งหมดนี้คืออะไรคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องกันไปอนนั้นภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเป็นต้นแล้วก็ประกาศถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ ขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปเมื่อสิ่งเหล่านี้สิ้นไปเสื่อมไปแล้วเป็นใครล่ะเป็นเราใช่ไหมเป็นของเราใช่ไหมเป็นคนอื่นใช่ไหมหรือว่าเป็นของผู้อื่นนะมันก็ไม่ใช่ใครหรอกวันสุขทุกเนี่ยนะอาศัยขันธ์ห้านี่เกิดขึ้นเพราะมีขันธ์ห้านั่นแหละจึงมีภาษะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกก็คือขันธ์ห้านี่เป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรม เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกขเป็นที่ตั้งแห่งลาบและเสื่อมลาบเป็นที่ตั้งแห่งนินทาและสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งยศและความเสื่อมยศเพราะนั้นโล ก, กธรรมทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมีขันห้าเพราะนั้นถ้ามีขันห้าหรือถ้ายังมีขันห้าอยู่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับโล ก, กธรรมเพราะโล ก, กธรรมเนี่ยนะได้รับแม้กระทั่ง พ, พระพุทธเจ้าคนที่ไปสักการะพระพุทธเจ้าก็มีขณะเดียวกันคนที่ไปด่า พ, พระพุทธเจ้าก็มี เพราะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรม8แนะถ้ายังมีโลกธระทำ 8, ก็เพราะมีขันห้าถ้ามีขันห้านี้ให้พ้นจากโลกธระทเป็นไปไม่ได้ข้อความในพระพุทธพจน์ที่บอกว่ า, านะในขันห้านี่ไม่มีสิ่งอะไรอะไรที่ควรจะตามเห็นว่าเป็นของเร า, เาว่าเป็นเราหนึ่งแนวะไม่ควรจะตามเห็นหรอกนะ ว่าขันห้าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหรือว่าขันห้าเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นของคนอื่นสรุปแล้วขันห้าเป็นอะไรเอาว่เป็นขันห้าที่เป็นสังขารธรรมเป็นสังขารธรรมที่มีตัดใ จ, จปรุงแต่งสร้างขึ้นดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศสุญญตะคือความว่างจากสัตว์เป็นต้นเนี่ยอันมีเงื่อนสีก็คือหนึ่ง นาหังกวจิพระโยคาวจรนี้ไม่เห็นตัวตนเนี่ยมีอยู่ในที่ใดๆเห็นว่าเป็นอัตตาอยู่ไหมอัตตาอยู่ตรงไหนล่ะไม่มีไม่มีอัตตาแท้จริงอะไรกัสจิกินจนะตัสมิงไม่เห็นอัตตาของตนที่จะพึงนำเข้าไปในความเป็นอะไรๆของใครๆเอาเมื่อตนไม่มีสมมติว่าถ้าอัตตาไม่มีแล้วเนี่ยอัตตาจะเป็นใครได้ไหมมียศมีตาแหน่งอะไรไห แต่ไปตั้งว่าเออนี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องเป็นต้นเนี่ยมีไหมก็ไม่มีนาจามะจะมมะกะวตจิไม่เห็นอัตตาของตนในที่ไหนไหนกัตจิกินจนะตัตถิเนี่ยไม่เห็นตัวตนของผู้อื่นมีอยู่ในที่ไหนหนึ่งอันนี้ก็ลักษณะว่าตนเมื่อตัวเองเราอะตัวเราเนี่ยไม่มีแล้วเราจะอยู่ในตำแหน่งอะไรอยู่ไหม เราก็ไม่มีเลยก็มีแต่ขันห้าขันห้ามีอยู่จริงละว่างั้นถ้าขันห้ามีอยู่จริงแต่ว่าอัตตาไม่ได้มีอยู่จริงเมื่ออัตตาไม่มีอยู่จริงแล้วอัตตาจะไปดำรงตำแหน่งอะไรผู้อื่นมีจริงไหมโดยประมัตินะก็ไม่มีอยู่จริงเมื่อผู้อื่นไม่มีอยู่จริงแล้วผู้อื่นดำรงอยู่ในตำแหน่งอะไรพันเป็นการประกาศถึงว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของผู้อื่นอันนี้พูดแบบ คนที่เตรียมจะปล่อยวางเนี่ยเตรียมที่จะตรัสรู้เนี่ยจะต้องเห็นความเสมอกันในสัพพสังขารทั้งปวงว่าเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความซอกเอ่อว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนและว่างจากอัตตาไม่เห็นว่าเป็นตนเป็นของของตนไม่เห็นผู้อื่นและก็ไม่เห็นว่าเป็นของผู้อื่นก็เห็นเป็นสังขารธรรมทั้งหลายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเหล่านี้แหละที่เรียกว่าสังคต ธ, ธรรมเป็นสังคต ธ, ธรรมการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าปีละนะกับสันตาปะเป็นของที่เบียดเบียนบีบคั้นแล้วก็เป็นของที่แปรไปบทว่าผู้สันติภัสสะอุปทิงปฏิจจะความว่าขึ้นชื่อว่าภัสสะ อันเป็นเครื่องอันนวยสุขและอันนวยทุกนี้อาศัยอุปธิกล่าวคือขันธพันจกะเพราะมีขันห้านี่แหละจึงมีผัสสะใช่ไหมเพราะมีผัสสะนี่แหละจึงมีสุขมีทุกขสุขทุกขนี่ก็ย่อมถูกต้องตามอารมณ์ที่เป็นของตนในเมื่ออุปธินั้นมีอยู่คือเป็นไปในอุปธินั่นเองจึงอยู่อทุุขมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในสุขเหมือนกันเพราะมีภาวะสงบเพราะฉะนั้นก็แสดงยก ตรงนี้ยกเวทนาแค่สองไงไหมเขียง่ายๆว่าถ้ามีรูปประคันก็ยังมีสุขมีทุกข์ถ้าไม่มีรูปประคันนี่จะไม่มีสุขมีทุกข์ถ้ามีรูปประคันถ้ารูปเป็นอิทธารมณก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขถ้ารูปเป็นอนิธารมณ์คือไม่น่าปรารถนาก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ราะถ้ามีรูปก็มีสุขมีทุกข์สุขทุกข์มีที่ใดที่นั่นก็มีสัญญามีสังขารและมี วิญญาณ น, นั้นขันห้าก็เป็นไปอย่างนี้แหละถ้าไม่มีรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะจะเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกต่อไปไหมพระองค์ก็เลยปฏิเสธว่านี่รูปทิงเกณฑผู้เสยยงภาษาภาษะพึงถูกต้องธรรมะที่ไม่มีอุปธิเพราะเหตุไรจริงอยู่เมื่ออุปธิคือขันไม่มีโดยประการทั้งปวงสมมติว่าตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยจนไม่มีขันห้าเลยเนี จะมีสุขมีทุกไหมภาษาเหล่านั้นจะพึงถูกต้องอ่ะถูกต้องได้ไหมถ้าหากว่าไม่มีขันแล้วก็บอกไม่มีหรอกก็ถ้าว่าท่านทั้งหลายไม่ปรารถนาสุขไม่ปรารถนาทุกข์อันเกิดจากการด่าเป็นต้นซ้ายหมายความว่าไม่ปรารถนาสุขที่เกิดจากคําชมไม่ปรารถนาทุกข์ที่เกิดจากคําด่าพวกท่านพึงกระทําความภาคเพียรในความไม่มีอุปทิศ โดยประการทั้งปวงนั่นและเพราะฉะนั้นปฏิบัติเพื่อกำจัดขันห้าเถอะถ้ายังมีขันห้าก็ยังมีสุขมีทุกสุขทุกเหล่านี้ก็เพราะเนื่องจากมีขันห้านั้นก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดขันห้าเถอะสรุปคาถานี้จบลงที่อนุ ป, ปาที่เสสนิพพานธาตุจบลงที่สูงสุดเลยนะพระองค์ตรัสทั้งวัตตะและวิวตตะในคาถานี้คาถานี้ตรงไหนเป็นวัตตะ ก็หมายถึงว่าภาษาทั้งหลายเนี่ยถูกต้องเพราะอาศัยอุปธิอันนี้เป็นวัตตะใช่หนี่เป็นลักษณะของวัตตะถ้ายังมีวัตตะยังมีขันห้าอยู่ภาษาก็ขันห้าเป็นปัจจัยจึงมีภาษะขันห้าเป็นปัจจัยแห่งภาษะภาษาก็เป็นปัจจัยให้มีเวทนาถ้าหากว่าไม่มีอุปธิคือไม่มีขันห้าจะมีภาษาไหมไม่มีถ้าไม่มีภาษาจะมีเวทนาไหมไม่มี นั้นถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยนะก็บอกว่าภาษายตนะถูกสํารอกคือดับไปไม่มีส่วนเหลือถ้าภาษายตนะดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือภาษาดับถ้าภาษาดับเวทนาก็ดับเป็นต้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อความในสการะสูตรที่พระองค์เกี่ยวข้องเนี่ยนะเกี่ยวข้องทั้งลาบและความ เสื่อมลาบถูกชมและถูกด่าเป็นต้นพระองค์ก็ปรารบอย่างนี้นี่แหละว่าถ้ามีขันท่าก็ยังมีสุขมีทุกข์ถ้าดับขันท่าได้โดยสิ้นเชิญจะมีสุขมีทุกข์หรืออันนี้คิดแบบคนที่อะไรนะเกินวิสัยของคนธรรมดาทั่วๆไปคิดนะคนธรรมดาทั่วๆไปคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเราจะอํานวยลาบสการะสรรเสริญให้เป็นได้อย่างยืดยาวแล้วจะดับคำคารหาคําติเตียนคํานินทาได้อย่างไร อันนี้คือคิดแบบคนทั่วๆไปแต่พระพุทธเจ้านี้คิดสุดยอดเลยว่าถ้ามีขันห้าก็ยังมีสุขมีทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าไม่มีขันห้าจะต้องมีสุขมีทุกข์อย่างนี้หรือเนี่ยนะก็คิดแบบวัตตะกับวิวัตตะมองแบบอริยสัจเลยนะว่าอุปธิใช่อุปธิสมุทัยอุปธินิโรธอุปธินิโรธาคาไม่นีปฏิปทาสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้กาจัดอุปธิสมุทัย จะได้ดับอุปเิโดยประการทั้งปวงอันนี้จะเห็นอัธยาศัยอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้มีอัธยาศัยน้อมไปหาอสังขตะธรรมจริงๆ น, นะเป็นอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่ออนุปาทิเสสะนิพพานธาตุจริงๆน้อมไปเพื่อสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงแต่หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังยินดีที่จะขอให้มีขันต่อไปใช่ไหมขอให้มีขันต่อไป แล้วขอให้มีแต่ขันที่มีความสุขนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ขอให้มีร่างกายขอให้มีอายุยืนแต่ขออย่าป่วยขออย่าไข้ขออย่าหิวขออย่าเดือดร้อนแต่ขอให้มีกายเหล่านี้ตลอดไปมันจะเป็นไปได้ที่ไหนเนี่ยนะเหมือนกับว่าขออยู่ในโลกนี้ขออากาศพอดีหมดเลยอย่าร้อนเกินไปอย่าหนาวเกินไปอย่าเย็นเกินไปถามว่าทาได้ไหมในโลกนี้ก็ไม่ได้หรอกเดี่ยมาดูชื่อว่าอุบาสกสูตร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 เหมือนกับคนต่างจังหวัดมีธุระเข้ากรุงเทพอย่างนั้นนะครั้งนั้นแลอุบาสกคนนั้นยังกรณียกิจนั้นให้สําเร็จในพระนครสาวัตถีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับอุบาสกนั้นว่าดูก่อนอุบาสกท่านกระทําปริยายนี้เพื่อมาณนะที่นี้โดยการนานแลหมายค่ะว่าโอ้นานแลนะจึงได้มาเนี่ย อุบาสกนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์เนี่ยประสงค์จะเข้าเฝ้าเข้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่กาลนานจริงๆอยากจะมานานแล้วแต่ว่าข้าพระองค์นี้ขวนขวายด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่างจึงไม่สามารถจะเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อยากจะมานะแต่ว่ามาไม่ได้เนี่ยธุระเยอะเหลือเกินงานมากนะ คล้ายๆกับหลายท่านเขาบอกโอ้อยากฟังธรรมมากแต่แหมทำไมงานมันเยอะจังเลยช่วงนี้นะงานชุมไปหมดเลยนะก็เลยเนี่ยอดฟังธรรมเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดตามเรื่องเขาหรอพระองค์คิดไปอย่างหนึ่งพระองค์ก็คิดแบบเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็คิดแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะไม่คิดเหตุผลแบบเราหรอกพระองค์ก็เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่ากิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใด ความสุขย่อมมีแก่ผู้นั้นหนอผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วเป็นพหูสูตรหมายค่าว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่มีกิเลสเครื่องกังวลแม้แต่นิดเดียวเนี่ยท่านมีความสุขจริงหนอนท่านมีความสุขแล้วสังขารทุกชนิดท่านนับจบหมดแล้วท่านนับว่าไงนะนับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานับเสร็จแล้วพหูสูตรแบบปฏิเวท เสร็แล้วพระ อ, องค์ก็บอกกับพระ อ, องค์อ่ะจงมาดูบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่นะเขบอกมาดูว่าสส์นี่เขาเดือดร้อนอยู่ชนผู้ปฏิพัฒน์ในชนย่อมเดือดร้อนใครที่ยังห่วงอะไรก็ยังเดือดร้อนอยู่ถ้ายังมีกังวลก็ยังเดือดร้อนเนี่ยนะข้อความเดือดร้อนทั้งมวลก็มาจากความกังวลไอ้ธุร ก, กิจทั้งหลายที่บอกว่าเนี่ยด้วยกิจทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยก็เพราะยังพอใจในสิ่งนั้นก็เลย กังวลกับสิ un our our ่งนั away, ้น so ยังติดใจกับสิ่งนั้นก็ต้องเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นถ้าเดือดติดใจกับสิ่งใดปฏิพัทธะพัทธะนี้แปลว่าผูกพันอ่ะนะพัทธะแปลว่าผูกผูกด้วยพันด้วยนีปฏิก็เฉพาะทั้งผูกทั้งพันเฉพาะไว้กับสิ่งใดถามว่าจะไม่ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นหรือเพราะว่าใจเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดก็ต้องเดือดร้อนมาจากสิ่งนั้นเนี่ยนะต่างจากพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องผูก ผูกก็เคยเห็นเชือกผูกไหมผูกผูกก็ไม่ผูกไว้รอบเดียวไหมพันอีกนะกิเลส ท, ที่คนที่มีกิเลสผูกทั้งผูกทั้งพันทีนี้ถ้าเอาใจไปพันไว้กับของร้อนอะไรจะเกิดก็เดือดร้อนอยู่แล้วท่านก็เห็นแล้วนะว่าคนที่หมดกิเลสกับคนมีกิเลสนี่ต่างกันอย่างไรพูดถึงอุบาสกเนี่ยนะนะคำว่าอุบาสกอุบาสกะ อ, อุบาสกก็กคือ ผู้ประกาศภาวะที่ตนเป็นอุบาสกในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการถึงไตราสารณาคมเป็นผู้ถือเอาศิกขาบทห้ม า, มาพุทธามกาบแปลว่าผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมว่าเป็นของเราพระสงฆ์ว่าเป็นของเราทีนี้อุบาสกนี้ปกติแล้วเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นเนืองนิดคือปกติเป็นประจําเลยนะตอนหลังเธอไม่ได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาด้วยกรณียกิจสองสามวันแล้วยังก็ พงศ์ก็บอกว่าอ้าไปไหนมาไม่เห็นตั้งหลายวันนะนะพงศ์ก็ทักนะนะจริงอยู่เมื่อเธอเริ่อมสายยิ่งในพระศ า, ศาสดาไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อในเรื่องอื่นเหมือนในการเข้าเฝ้าฟังธรรมและของพระศ า, ศาสดาปกตินี่โอ้โหให้ความสําคัญกับการฟังธรรมเป็นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะตอนหลังก็มีกรณียกิจก็เลยลาไปทํากิจนะนะไม่น่าอะไรเมื่อวานโยมก็บอกลาไปทํากิจนะนะจบกรณียกิจได้ยังไม่ทราบนะนะไม่จบกิจ16ง่ายๆหรอก นะลาไปทํากิจ16 ก, กันนะบทว่าเอตมัตถังวิทิตวาความว่าทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่าอันตรายแห่งกุศลย่อมมีเพราะความที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความขวนขวายในหน้าที่โดยมีความกังวลในการพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและในการได้ความเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากหามีอันตรายแห่งกุศลต่อความไม่มีความกังวลไม่อ่านแล้วมันเข้าใจยากงี้ยนะ หมายความว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อกุศลเนี่ยมีเพราะอะไรอันตรายต่อกุศลก็คือเจริญกุศลไม่ได้อะเพราะตัวเองต้องคอยขวนขวายคอ ย, คอยห่วงใยในหน้าที่นะห่วงใยในกิจสำน ว, นวนว่าอะไรนะันหน้าที่คือตัวเองต้องรับผิดชอบใช่ไหมบอกว่ามันเป็นภาระเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบ อ, อาศัยว่าตัวเองต้องรับผิดชอบก็เลยไปรับผิดชอบนะทั้งรับผิดแต่ส่วนใหญ่ขอชอบไปก่อนนะ เพราะถ้าหากว่าไม่เข้าไปทำเดี๋ยวจะผิดใช่ไหมก็ต้องการความชอบจากสิ่งนั้นะ่ะก็เลยไปควนขวายในสิ่งนั้นควนขวายมากเข้าให้สิ่งที่ควนขวายมันเป็นเรื่องของกุศลไหมส่วนใหญ่ไม่ใช่เนี่ยนะเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะเอาตายเลยแหละไม่ใช่เอาเป็น่ะนะก็เอาจนตายในสิ่งนั้นนั้นะ่ะกุศลก็เลยไม่เกิดเลยก็นี่เป็นอันตรายต่อการเจริญกุศลทั้งทั้งที่เวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก แล้วตัวเองก็ได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเขาได้สิ่งที่ได้โดยยากตั้งหลายเรื่องมาประจวบเหมาะใช่หมหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสองเขาเป็นมนุษย์เกิดในมัชิมชนบทแปลว่าบ้านอยู่ใกล้เชตาวันเนี่ยนะบ้านอยู่ไม่ไกลเชตาวันเท่าไหร่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเป็นปกปติโอกาสแบบนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆแต่ขนาดเดียวกันก็บักแมมทุระยุ่งเหลือเกินะนะอ้างจนไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหมอบอกว่า เอ้มีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับว่างั้นท่านก็ไม่มีเวลาตายสิคำว่านั้นนะคือมีงานมากติดพันผูกพันจนฟังทําไม่ได้เจริญกุศลไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ตายได้นี่น่าคิดกัีนะก็คือพูดถึงวิจารณญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะคือถ้าเขาเคยตั้งคําถามว่าเขาเกิดมาทํำไมกันแนะ่มาหาอะไรกันแนะ่มาเพื่อบําเรอขันห้า ขันท่าจะได้ตายแล้วจะได้เกิดใหม่เท่านี้หรือเนี่ยนะสแสวงหาพบใหม่ไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้หรือสแสวงหาขันท่าอายตนะอยู่เท่านี้หรือเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งคำถามในเรื่องราวของชีวิตว่าชีวิตเป็นอย่างไรมาอย่างไรไปไหนมาจากที่ไหนจะไปไหนเป็นต้นเนี่ยถ้าไม่ขวนขวายเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือสาระกันแน่ถ้ายิ่งฟังคาของอาสาบุรุษมากขึ้นมากขึ้นด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยรนี้ ข้อความในคาถาว่าสุขังวตตะตัสะโนโหติกินจิความว่าในวัตถุมีรูปเป็นต้นแม้วัตถุอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ได้แก่ไม่ปรากฏแก่บุคคลใดโดยภาวะที่กำหนดด้วยตันหาวันนี้ของเราบุคคลนั้นย่อมมีความสุขแท้อธิบายว่ามีความสุขน่าอัศจรรย์ทีเดียว ถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะ พ, พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นความสุขจริงๆ อ, อย่างสงกรานเนี่ยตายไปเท่าไหรเนี่ยนะเพราะไม่ใช่ของเราใช่ไหมเรามานั่งยิ้มอยู่นี่สบายใจได้เนี่ยนะแต่คนที่ตายนั่นก็เพื่อนเรานี้ก็ญาติเรานั่นก็คนที่เกี่ยวข้องกับเราเราขาดคนนั้นไม่ได้เนี่ยถามว่าจะนั่งฟังธรรมได้ไหมไม่ได้นะและรถประสบอุบัติเหตุเป็นร้อยๆคันเนี่ยที่มานั่งยิ้มอยู่ได้ก็เพราะไม่ใช่รถเราอีกนั่นแหละเนี่ยนะไอ ถ้าหากว่าขันเหล่านี้ไม่ใช่ของเราโดยประการทั้งปวงแล้วนะเราจะสบายกว่านี้อีกเท่าไหร่ใช่ไหมอิรักอดข้าวตอนนี้เขาปล้นกันก็ไม่ใช่ปล้นบ้านเราเองนะเพราะอะไรก็ตามเถอะถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยลึกซึ้งที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดแต่ว่าไม่ได้ตันหาไม่ยอมหรอกมันต้องของเราสิต้องเอาชื่อเราไปแปะไว้ก็ยังดีขอให้มันเป็นเราและเป็นของเราเข้าไว้ทั้งๆที่เขาไม่รู้บอกว่า สิ่งที่เขายึดถือว่าเป็นเรานี่เอาอะไรมายึดถือมันเป็นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองเนี่ยนะย่อหน้าล่างๆบอกว่าบุคคลใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลคือกิเลสเครื่องยึดหน่วงอะไรๆแม้เล็กน้อยก็คือไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้กังวลเนี่ยนะไม่มีกิเลสที่ไปกังวลด้วยกังวลด้วยราคะเป็นต้น นั่นแหละของอข้อนั้นของบุคคลนั้นผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลชื่อว่าเป็นความสุขแท้คือเป็นความสุขน่าอาัศจรรย์เพราะเป็นตัดใจแห่งความสุขถ้ากาจัดเครื่องอกิเลสเครื่องกังวลไม่กังวลแม้กระทั่งในร่างกายและชีวิตได้เนี่ยนะชีวิตจะมีความสุขขนาดไหนถ้ามานั่งทําใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องกังวลหรอกไดไ้เอาี่ไหพอไหม ไม่ต้องกังวลอะไรตั้งอันนี้ไปฉันจะปล่อยหมดเลยใช่ไหมแล้วทำไงดีมันก็คำว่าตัดกังวลเนี่ยนะไอตัวตัวที่ตัดจริงๆนมัคมีองค์8นะทำมัคไม่ครบองค์8อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตัดกุศลซะก่อนตัดอากุศลเนี่ยรีบตัดตัดไปเถอะแต่ว่าถ้าอริยมรคมีองแปดยังไม่ประชมกันอย่าเพิ่งรีบตัดกุศลเนี่ยนะพยายามภาพเพียนให้กุศลเกิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อน เพราะถ้ากุศลไม่บริบูรณ์เพียงพอแล้วอยากคิดนะว่าจะตัดอะไรได้อยากคิดว่าจะตัดเยื่อใหญ่ได้จริงๆหากจะถามว่ากิเลสเครื่องกังวลเนี่ยไม่มีแก่ใครพระองค์จึงบอกว่าสังขารตธรรมัะสะพะหุสุตต ะ, ะเนี่ยคือคุ ณ, ณสมบัติผู้ของผู้ที่ตัดเครื่องกังวลได้สังขารตธรร ม, มะเนี่ ย, ยแปลว่าคนที่นับธรร ม, มะหมดแล้ว แล้วก็หูสุดตระศะก็คือเป็นหู้สุตอธิบายว่าบุคคลใดมีธรรมะที่ต้องบอกแล้วบอกก็คือมีกิจที่ต้องทำเนี่ยทำแล้วเพราะสาเร็จกิจ16อย่างกล่าวคือกิจเหล่านี้สาเร็จด้วยมรรคสี่ใช่ไหมกิจ16ก็คือกิจในอริยสัจว์4นั่นแหละกิจในอริยสัจสี4ของอริยมรรคสี่ทำกิจแทงตลอดอริยสัจเสร็จแล้วเนี่ยเรียกว่าสังขาตธรรมสั ผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วถ้าในมหานิเทศจุลนิเทศเป็นต้นเนี่ยก็คือนับอะไรนับว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมะอนัตตาวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมรู้เหตุเกิดความดับอัศธ า, าอาทีนวะนิสรณะของอมหาภูตรูปสี่ภาษายตนา6อุปาทานขันห้าแทงตลอดย่ ย่งกินจิตสมุทยัยธรรมังสับพันทางนิโรธธรรมังเป็นต้นเนี่ยนะตรัสรู้แบบนี้จึงเรียกว่าสังคาธรรมัสสะผู้มีธรรมะอันนับเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าอะไรนะนับได้ครบโอ้ยนับได้ตั้งหใช่ไหมอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี่พอไหมไม่พอที่จะพ้นทุกข์นะจะต้องนั่นแหละอย่างน้อยก็นับให้ได้ว่าจาัคคูจักขูสมุ ท, ทยัยจักคูนิโรจักคูนิโรทคาาม่มีปฏิปทาแล้วต้องแทงตลอดอย่างเงี้ยคูณสครั้งใช่ไหม สครั้งด้วยอำนาจโสดาปฏิมักเป็นต้นนั่นแหละจึงจะทำกิจสำเร็จถ้าไม่แทงตลอดอริยศาสตร์ก็ไม่สำเร็จห ร, รอกเชื่อว่าเป็นผู้สูตรในคำว่าผหุสุตรตระเนี่ยนะเพราะรู้ผาหุสัจจะแจ้งชัดจากธรรมะนั้นนั่นเองแห่งบุคคล น, นั้นผู้สูตรตรงนี้ไม่ใช่ผ่านหูแว่วผ่านหูมาเยอะแต่หมายว่าทำกิจตัวนั้นแล้วเห็นตามนั้นจริงๆเรียกว่าเป็นผู้สูตรเรียกว่าผู้สูตรโดยการปฏิบัติเนี่ยนะ ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงอ น, นิสงฆ์แห่งความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอะไรๆเราจะรู้ถึงผลแห่งบุญคุณของการไม่มีความกังวลเนี่ยนะจะต้องแสดงโทษของกิเลสเครื่องกังวลถ้าเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่มีกังวลเป็นสิ่งดีเนี่ยนะจะต้องเห็นโทษของความกังวลคำนั้นมีเนื้อความโดยโย่อต่อไปนี้พระศาสดาแสดงถึงธรรมสังเวช สังเวชมากเลยนะทำที่บอกว่าโอ้กิตติดธุระจนมาฟังทำไม่ได้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าฟังและสังเวชมากแต่ของเราก็อะไรนะถ้าอุบาสกนั้นก็บอกมีเหตุผลอันสมควรตอบพระพุทธเจ้าได้ที่ไม่ได้มาฟังก็เพราะมีธุระใช่ไมพระพุทธเจ้าสังเวชเลยนะคำ ว, ว่าสังเวชนี่เป็นชื่อของโอตับปะที่ประกอบด้วยปัญญาปรารบถึงคำนั่นนะแล้วพระองค์ก็ตรัสกับจิตของพระองค์ที่บอกว่าบอกในคาถาใช่ไหม กิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใดความสุขย่อมมีแก่ผู้นั้นหนอผู้มีธรรมะอันนับได้แล้วผู้เป็นหูสูตรแล้วบอกตัวเองเลยว่าท่านจงดูบุคคลผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ชนผู้ปฏิพัฒน์ในชนย่อมเดือดร้อนอันนี้บอกตัวเองนะพระพุทธเจ้ายังคุยกับตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะตัวเองในที่นี้หมายถึงใจนะก็บอกใจของพระองค์นั่นแหละพระพุทธเจ้ายังบอกใจตัวเองได้เนาะ ของเราต่อไปก็น่าจะแนะนำตัวเองได้บ้างนะพระพุทธเจ้ายังแนะนำตัวเองเลยเอพระองค์บอกว่าท่านจงดูบุคคลผู้ชื่อว่ามีกิเลสเครื่องตังวลเพราะมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและกิเลสเครื่องกังวลคืออมิตก็เดือดร้อนอยู่คือถึงความคับแค้นด้วยกิดน้อยกิจใหญ่เพราะเหตุแห่งการสแสวงหาไอ้แสวงหากว่าจะได้มาก็ยากยาก แล้วก็อารักขาอีกก็รักษาการมทั้งหลายที่ได้แล้วสแสวงหาก็สแสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้ใช่ไม้มพอได้ไมาแล้วก็รักษาอยู่นั่นแหละเพราะความเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวล น, นั่นเองแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะการยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราโอ้ยคําว่าเราเนี่ยนะโลกเนี่ยเรานี่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะอะไรก็ตามถ้าเป็นเราหรือเป็นของเรานะไม่มีอะไรจะพิเศษเท่านี้อีกแล้วยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ว่าจั น, น้าของเราตาของเรากายของเราอะไรก็ช่างเถอะญาตเราขอให้มันพันพัๆกับเราเถอะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะความยึดถือยึดถือแต่เขาไม่รู้อะไรสิ่งที่เขายึดถือเนี่ยมันเป็นของร้อนบทว่าโนชนะสมิงปฏิพัทรูปโปความว่าตนเองเป็นชนอื่นเป็นผู้มีภาวะเนื่องกับชนอื่นด้วยอนานาจแห่งตันหาว่า จริงๆอ่ะตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรหรอกถูกตันหานี่แหละมาเล่นงานตันหาจริงๆเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่จอนเข้ามาเป็นครั้งคราวนะมันไม่ใช่มันเกิดตลอดการอะไรนะมันมันมันแค่มันทำหน้าที่มากระซิบมาหลอกแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้แช่มันได้มั่นคงอะไรนะสมมุติมันบอกว่าอันนี้ดีนะเสร็จแล้วมันก็พอสร้างให้เรากังวลเดือดร้อนกับสิ่งนั้นแล้วมันก็หายไปแล้วทีนี้เหลือแต่เครียดกับสิ่งนั้นอย่างเดียวตอนแรกมันกระซิบบอกว่านี้ของเราก่อน พรหลังจากนั้นป so, um, so, so, uh, ั๊บเนี่ยมันไม่บอกแล้วนะมันก็ให้เราดูแลต่อไปพันตันหาเนี่ยนะตันหาบอกว่าเราเนี่ยเป็นของผู้นี้แล้วก็ผู้นี้เป็นของเราเออมันบอกได้เลยนะเออเนี่ยเราเนี่ยเป็นของผู้นี้เป็นยังไงเราเป็นของผู้นี้เราเป็นลูกของผู้นี้เราเป็นญาติของผู้นี้เราอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาผู้นี้เป็นของเราเป็นไผู้นี้ก็เป็นเป็นเอ่อเป็นของเราเนี่ยนะ ก็เลยเดือดร้อนเดือดร้อนถึงความขับแค้นที่จริงค้าเนี่ยต้องดูในคาถาธรรมบทจึงจะเห็นชัดใช่ไหมปุตตามัติธนะมัติอิติพาโลวิหันญติอัตตาหิอัตโนนติกุโตปุตตากุโตทนังจะบอกว่าคนพานเนี่ยพากันเดือดร้อนว่าบุตรของเราเนี่ยมีอยู่ก็เดือดร้อนเพราะบุตรใช่ไหมซั์ของเราก็มีอยู่ว่าตามความเป็นจริงะโดยสภาวะแท้ๆเลย ตนนั่นแหละก็ย่อมไม่มีแก่ตนเขว่าตนของตนก็ยังไม่มีบุตรจักมีแต่ที่ไหนทรัพย์จักมีแต่ที่ไหนอ น, นอันนี้ข้อความที่พระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทก็เป็นอย่างนั้นนะคือเขามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเกิดมาเนตานีจริงๆมหาตานีตัวเองก็บริโภคอย่างอดๆอดยากๆเก็บรวบรวมทรัพย์เอาไว้ว่าทรัพย์ของเราเก็บเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวเอาไว้ให้อะไรเอาไว้ให้ลูกตอนหลังแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัข ปล่อยความตนีไม่เคยให้ทานไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะะพอเกิดเป็นสุนัขเนี่ยตอนหลังพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยปรารบเศรษฐีคนนั้นว่าคนพานเนี่ยก็เดือดร้อนว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราตามความเป็นจริงตนของตนก็ยังไม่มีใช่ไหมเพราะชีวิตไม่เคยทําอะไรเต็มที่เป็นอุปการะแกตัวเองเลยทีนี้พอตายไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยลูกจะนับถือไหมว่พาพ่อเราสมมติถ้าเราตายแล้วไปเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะ เออนี่แม่เราพ่อเรามาแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีน้อยไม่เอาใช่ไหมรับเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาให้เราใช้ได้บ้างเออไม่ได้เลยคนพาเ น, นี่ยมันเข้าจริงๆเลยนะพันธะไม่เขานะหมูหมากาไก่เป็นต้นไม่มีในโลกนี้หรอกเนี่ยพันพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์ในอาบายก็เพราะความยึดถือยึดถือจนทํากุศลไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ความเสียหายมากพรัะคนพานทั้งหลายก็เลยไม่ควรขวัญขวายที่จะเจริญ กุศลเนี่ยนะพอไม่เจริญกุศลก็เลยเป็นอะไรเฝ้าบ้านดียอดสมควรแก่ฐานนะสมควรแก่เหตุอีกสูตรหนึ่งเลยนะคัพพินิสูตรพูดถึงหญิงมีคันที่จริงสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะตั้งชื่อว่าทุกข์ของหญิงมีคันอ่ะนะต้องบอกว่าทุกข์ของสา ม, มีของหญิงผู้มีคันเหมนนะท่จริงสูตรนี้มันทุกข์ของสา ม, มีนะไม่ใช่ทุกข์ของหญิงมีคันอะไรหรอกทุกข์ของผัวเนี่ยนะ ท, ที่มีเมียนแล้วตัวเองก็จนจน่ะนะเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตะวันอารามของท่านอนาถาปินฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลนางมานาวิกาสาวภริยาของปริพาชกคนหนึ่งมีคันใกล้เวลาคลอดแล้วท้องแก่เต็มทีครั้งนั้นแลนางปริพาชิกานั้นได้กล่าวกับปริพาชกว่าท่านพราหมณ์ ท่านจงไปนำน้ํามันซึ่งจกเป็นอุปการะสําหรับดิฉันผู้คลอดแล้วมาเถิดว่าเตรียมคลอดอะนะก็พยายามจะเตรียมตัวคลอดเต็มที่ก็บอกสามีไปเมื่อนางปริภาชิกากล่าวอย่างนี้แล้วปริภาชกนั้นก็ได้กล่าวกับ น, นางปริภาชิกาว่าฉันจะนําน้ํามันมาให้นางคู่เจริญได้แต่ที่ไหนเล่าโจนขนาดนั้นจนจนหาน้ํามันไม่ได้อะนะแล้วถึงสมัยนี้มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นอะไรใช่ไหม แต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันจนขนาดที่ว่าไม่รู้จะหาน้ํามันได้ยังไงสกัดน้ํามันพืชไม่ได้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สมก็ใช้สามีอยู่นั่นแหละบอกว่าท่านพร้ามท่านจงไปนำน้ํามันซึ่งจะเป็นอุปการะสําหรับดิฉันพวกคลอดแล้วมาเถิดเนี่ยนีฝ่ายสไอสมัยนั้นเนี่ยสมัยเป็นสมัยที่พระราชาเขาให้น้ํามันเนี่ยเขาแจกไว้ดื่มอย่างเดียว บอกว่าสมัยนั้นแลราชบุรุษได้ให้เนยใสยบ้างน้ำมันบ้างในพระคลังของพระเจ้าเปรตที่โกศลแก่สมณะบ้างพรามบ้างเพื่อดื่มพอตามความต้องการแต่ข้อแม้ห้ามพกพานําเอาไปให้ดื่มได้สมัยนั้นเขาชอบดื่มน้ํามันกันนะดื่มเนยใสยดื่มน้ํามันกันเนี่ยไม่รู้ดื่มได้ยังไงไม่ทราบแต่เขาชอบดื่มกันก็บางท่านก็ลองดื่มดูเขาบอกเออมันก็อิ่มดีไม่เงินเท่านั้น มันก็ก็ให้พวกสมณะพราหมณ์พวกปริพาชกเข้าไปดื่มน้ำมันครั้งนั้นแหลปริพาชกนั้นคิดดังนี้ว่าก็ราชบุรุษให้เนยใสยบ้างน้ำมันบ้างในพระคลังของพระเจ้าปเสนที่โกรธสนแก่สมณะบ้างพราหมณ์บ้างเพื่อดื่มพอความต้องการไม่ให้เพื่อนนาออกไปฉะนั้นเนาะแผนเกิดขึ้นมาได้เลยคิดแผนออกแป้บ ว, ว่างันเราพึงไปยังพระคลังของพระเจ้าประเสนที่โกรธสนดื่มน้ํามันพอแก่ความต้องการแล้วก็กลับมาเรือน อาเจียนออกมาสำรอกก็คืออาเจียนน้ำมันซึ่งเป็นอุปการณ์แกนางปริภาชิกาผู้คลอดนี้เถิดจะเอาน้ำมันที่อาเจียนนี่แหละมาใช้งานได้แล้วครั้งนั้นแลปริภาชกนั้นไปยังคลังของพระเจ้าประสเสนที่โกศลเดิมน้ำมันพอความต้องการเนี่ยเดิมอัดเต็มที่เลยนะไม่ใช่ดื่มเป๊ปซี่ที่ไหนใช่ไหมแ ป, ป๊บเดียวมก็หมดละอันนี้มันน้ำมันเนี่ยพระอืดพระ อ, อมเต็มที่มันกลับมาถึงเรือนไม่สามารถจะไว้เบื้องต่ำ ก็คือสรุปว่าอาเจียนก็อาเจียนไม่ออกถ่ายก็ถ่ายไม่ได้เพราะอึเพราะโอมอยู่นั่นแหละปริภาชคนั้นอันทุกขเวทนาอันกลา้าเผ็ดร้อนถูกต้องแล้วย่อมหมุนไปหมุนมาโดยรอบสมัยนั้นคงไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้อะไรได้เนี่ยนะก็ดื่มน้ำมันเต็มที่อะคิดดูข้างใดื่มเป็นลิตรมั้งเนี่ย ดื่มน้ำมันนะท่านน้ำมันพืชด้่ยนะหรือเนอยไสเนี่ยนะไม่ย่อยอะ่ะพอไม่ย่อยทายก็ไม่ได้อาเจียนก็ไม่ได้มันก็พราะอืดเพราะอมได้แต่นอนหมุนตัวไปนั่นแหละครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผ้าอันตรอาวาศกถือบาและจีวรเสด็จเข้าไปวินทบาทยังพระนครสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นปริพาชกนั้นผู้อันทุกขเวทนาอันกลา้าเผ็ดร้อนถูกต้องละหมุนไปหมุนมาอยู่โดยรอบ แสดงว่านอนกลิ้งอยู่นั่นน่ะนะพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากพอลืมตาองเห็นป้าพระองค์รู้หมดอยู่แล้วว่าไปยังไงมายังไงทราบเรื่องนั้น อ, อย่างทพลุโปร่ปรงแบบไม่ต้องถามเลยแหละพระองค์ก็เลยเป่งอุทานในเวลานั้นว่าชนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยมีความสุขหนอชนผู้ถึงเวทคือบรรลุอริยมรรคเท่านั้นชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ไมายเขาว่าต้องปฏิบัติให้ได้อริยมรรคก่อนนะจึงจะเลิกกังวลได้ทีนี้มาดูก็บอกตัวเองอีกนั่นแหละพุทธเจ้าบอกตัวเองบอกมาดูชนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ชนผู้มีปฏิพัทธ์ในชนย่อมเดือดร้อ น, นก็คนที่หมดความกังวลนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมแต่คนที่ยังกังวลหละก็เดือดร้อนมากก็น่าน่าสงสารเหมือนกันนะไปดื่มน้ามันมนัซะชน คือสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเป็นนักบวช ด, ด้วยเนี่ยนะเป็นนักบวชแต่ก็มีคู่ครองมันก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรทีนี้ก็อย่างว่าก็มีลูกด้วยนะมันก็ต้องมีข้าวของของผู้ครองเรือนก็เลยเดือดร้อนมากมาดูคําอธิบายในคาถาดีกว่านะไอติเป็นนอนดิ้นพลัดพลาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดแล้วในหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหย่อหน้าว่าเอตมัถังวิธิตวาความว่า ครั้นทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่าความทุกข์อันนี้เหตุเพราะบริโภคโดยไม่ปัจจเวกไม่พิจารณาไม่ปฏิสังขารโยอะไรเลยคิดแต่ดีใจอย่างเดียวว่าได้น้ํามันไปให้แม่บ้านแล้วของคนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลมีอยู่แต่สําหรับคนไม่มีกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีทุกนี้โดยประการทั้งปวงปองก็เลยอุทานในเวลานั้น ที่บอกว่าสุขินวตะเนี่ยนะสุขเนาเนี่ยนะความว่าสัตว์บุตรทั้งหลายมีความสุขจริงเนอะถามว่าก็สัตว์บุรุษเหล่านั้นเนี่ยคือพวกไหนตอบว่าพวกที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลที่ชื่อว่าอกินจนะอกินจโนในผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลด้วยราคะไม่กังวลด้วยโทสะไม่กังวลด้วยโมหะเป็นต้นและไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในสิ่งที่หวงแหนไม่มี อย่างพระพระรอรหันต์เนี่ยนะไม่มีสิ่งใดที่ท่านหวงแหนแม้แต่นิดเดียวอ่ะนะพระองค์ก็เลยตรัสว่าเวทคุโนหิชนอาอกิญจนาชนพะูดถึงเวทไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเอ๊พูดถึงเวทนี่แค่ไหนเวทะตัวนั้นคือความรู้อ่ะนะบุคคลผู้ชื่อว่าเวทะคูคือผู้บรรลุถึงเวทคือบรรลุอริยมรรคยานอริยมรรคยานทั้งสี่มรรคโสดาปฏิมรรคสกธ า, าคามีมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค ท่านเหล่านั้นอะถึงบรร ล, ลุถึงพระนิพพานด้วยอริยมรรคนั้นด้วยเวทนั้นอริยชนเหล่านั้นเนี่ยผู้สิ้นอาสวะชื่อว่าอากินจนะไม่มีความกังวลไม่มีความติดข้องด้วยราคะเป็นต้นเลยเพราะตัดกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมตรรคก็เมื่อไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นกิเลสเครื่องกังวลในสิ่งที่หวงแหนจากมีมาแต่ไหน คือถ้าตัดเยื่อใยได้หมดแล้วไม่รู้จะไปอะไรอาวรกับอะไรใช่ไหมแต่นี้ก็อย่างว่านะครับพูดแบบสมัยใหม่อา้าวก็คนมีลูกมันก็ต้องกังวลมัง้งเนี่ยนะก็หวงแหนแต่ก็ดูพระสังขามาชี้สิใช่ไหมอุ้มลูกมาอุ้มมานะอุ้มกลับอาก็อุ้มกลับสิแทนนั้นน่ะแต่พระอรหันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระอรหันนี่เดือดร้อนแน่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะสูตรนี้สรรเสริญบุคคลผู้เป็นพระอรหัน ในขณะเดียวกันอย่างนี้แล้วก็ติเตียนอันทปุตุชนการแสดงถึงพผ้ารหันนี้เป็นวัดวิวัตตะพูดถึงปุตุชนนั้นเป็นลักษณะของวัตตะผู้ที่ติดข้องในวัตตะก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วนะนะคนที่มีกิเลสเครื่องตังวลก็เดือดร้อนที่จริงเนี่ยต้นเหตุของทั้งหมดเลยเพราะไอตัวกังวลคือราคะตัวกังวลคือโทสะตัวกังวลคือโมหะนั่นแหละคือตัว ตัวเก่นแท้ที่จะต้องกําจัดจริงๆอ่ะนะตัวแก่นแท้ที่จะต้องตัดจริงๆเนี่ยคือตัวราคะโทสะและโมหะเมื่อใดเนาะทาบุญแนละ้วตั้งตัวเป็นศัตรูแก่ราคะโทสะโมหะเลยแหละนั่นแหละเครียกว่าเข้าเป้าแล้วนะแต่ถ้ายังให้ค่ามันอยู่ก็ทุกข์อีกนานเลยนะทุกข์มากเนี่ยยังดูสิเนี่ยคนมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกเนี่ยเอกภุตาสูตรเนี่ยนะมีลูกน้อยแต่เพียงผู้เดียวทุกข์ขนาดไหน จเจริญเติบโตไปดีมีสุขคอยยังชั่วเนี่ยถ้าเกิดตายล่ะจะอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตะวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลบุตรคนเดียวของอุบาสกคนหนึ่งโเป็นลูกสุดที่รักเลยแหละเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็ยางว่านะรักขนาดไหนลูกก็ตายได้นะพอลูกตายแล้วครั้งนั้นอุบาสก มากด้วยกันเนี่ยนะมีผ้าชุ่มมีผมเปียกะนะผ้าชุ่มผมเปียกเนี่ยเปียกบอนหมดเข้าไปวัดนะนียอย่างอันหน้าสงกราน น, นั่นนะ่ะเนาะพอเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับไปเวลาเที่ยงด้วยถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามอุบาสกนั้นว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายท่านทั้งหลายมีผ้าชุ่มมีผมเปียกเข้ามาในที่นี้ในเวลาเที่ยงเพราะเหตุไรเนอ อันที่จริงพระผู้เทเจ้านี่รู้อยู่แล้วละ่ะแต่ก็ถามเพื่อเป็นอุบัติเหตุจะได้แสดงธรรมได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรถามอย่างนี้แล้วอุบาสกนั้นก็ได้กลับทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุตรคนเดียวของข้าพระองค์ผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจทำกาละแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงมีผ้าชุ่มมีผมเปียกเข้ามาในที่นี้ในเวลาเที่ยงอันนะ พระพุทธเจ้าก็คิดแบบพระพุทธเจ้าอีกตามเดิมไหคือในเล่มนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างอื่นนะพระองค์คิดแบบพระองค์อย่างเดียวนะพระองค์ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงก็คิดไปแต่เนี่ยเรียกว่าเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าคิดแต่ปรารถถึงอะไรนะเรียนความรู้สึกนึกคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าพระองค์นี่คิดอะไรเมื่อรับเหตุการณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างในพระองค์คิดอะไรอย่างเนี้ยได้ข่าวว่าลูกเขาตายแล้วพระองค์คิดอะไรอันนี้ใจจริงๆของพระองค์นะ แต่ถ้าเป็นที่อื่นพระองค์ก็สอนไปอะไรไปอะไรแต่นี่รวบรวมเอาเฉพาะว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านคิดอะไรในฐานะที่ท่านเป็นศาสดาของโลกเนี่ย น, นะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นดีใจมากเลยนะอุทานเนี่ยเปล่งด้วยอํานาจของความดีใจบางอย่างก็ด้วยอํานาจสังเวชใจใช่ไหมตรงเนี้ยดีใจมากเลยว่า มูเทวดาและมนุษย์เป็นจานวนมากยินดีแล้วด้วยความเพลิดเพลินในปีรูปคือรูปอันเป็นที่รักถึงความทุกข์เสื่อมหมดแล้วจากสมบัติย่อมไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชหมายค่าว่าเพลิดเพลินหลงไหลในวัตถุที่ตัวเองพอใจเพลินไปเพลินมาก็ตายนะเพลินจนตายเะไรประมาณนี้ พระอริยะบุคคลเหล่าใดไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวันละปิยรูปสาตรูปคือละฉันทราคะในรูปอันเป็นที่รักเสียได้พระอริยะบุคคลเหล่านั้นแลย่อมขุดขึ้นซึ่งอมิตรแห่งมัจจุราชอามิตรแปลว่าเหยื่อเนี่ยนะทำลายเหยื่อของความตายได้หมดเหยื่อแห่งความตายเนี่ยเป็นมูลแห่งวัตวตะทุกข์ซึ่งปกติแล้วสัตว์ล่วงได้ยากยากนะที่จะคลายอามิตรได้เนะี่ย แหมอมิตรของวัตตานี่มันล่อตาล่อใจมากนะปลาเห็นเหยื่อของวัตตาก็เลยอดไม่ได้ใช่ไหมมันคล้ายๆกับคนรักษาศีลแปดเห็นอาหารอร่อยก็เลยอดไม่ได้อย่างนั้นแหละมาดูข้อความในอัตถกถาบอกว่าลูกอันเป็นที่รักเนี่ยนะมีลูกน้อยคนเดียวที่เขาอนุเคราะห์และก็รักมากแล้วก็เป็นลูกที่เรียกว่าเหนื่อยขนาดไหนคิดถึงลูกก็เจริญใจเลยอยางนั้นแต่สบายใจทันทีแล้วก็ลูกก็กําลังน่ารักกําลังน่าชม แล้วก็ลูกก็เป็นลูกที่ดีมากเลยนะมีโยมโยมคนหนึ่งก็มีลูกชายอยู่คนเดียวลูกเขาตายและเด็กคนนี้เป็นเด็กดีจริงๆด้วยนะกำลังเรียนอยู่ปวชกำลังเรียนอยู่ปวชแล้วก็ขับรถเครื่องไปชนกันตายนะก็ไม่ได้ขับสิ่งอะไรเราก็ขับธรรมดาเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ระวังก็เลยมาชนตายพอตายแล้วก็เสียใจมากเนี่ยนะว่าลูกคนเดียวลูกคนดีด้วยแม่ก็ได้แต่ร้องเพราะดีแท้ๆเลยนะ เสียใจมากเสียใจก็ทำไงได้ไมันตายไปแล้วอ่ะพวกอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีเป็นอันมากก็ตามหลังอุบาสกที่ลูกตายไปจนถึงป่าช้าพร้อมด้วยความโศกทำชาปน ก, กิจเผาเสร็จแล้วก็กลับสมัยนั้นเนี่ยตายแล้วเผาทันทีเลยไม่มีสวดอภิธรรมไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยนะตายตายตอนไหนก็ลากไปตอนนั้นแหละเผาอย่างเดียวหนะ่า าบางแห่งก็ไปลากลงน้ําไปหรือไปฝังไปอะไรก็ไปก็มีเขาไม่มีพิธีกรรมไม่มีศาสนพิธีอะไรทั้งนั้นสมัยใหม่ก็เลยโบราณท่านก็ต้องการจะเอาพระพิธีเนี่ยนะลงเอาไว้ทํำยังไงพระพิธรรมจะได้ยั่งยืนยาวท่านก็เลยเอามาลงไว้ที่งานศพเพราะว่าพระธรรมเหล่านี้อย่างน้อยก็ยังพอสวดได้บ้างะนะแต่ถ้าไม่เอาพระพิธรรมลงไปไหว้งานศพนี่สงสัยศูนโยหายหมดเกลี้ยงแล้วไม่เหลือแล้วเพราะนนั้หลังจากที่เผาศพ เสร็จแล้วก็ลงอาบน้ํานุ่งห่มอยู่นั่นแหละหัวดําหัวบีบผ้ายังไม่ทันแห้งเลยนุ่งพื้นหนึ่งทําผ้าเฉวียงบาพื้นหนึ่งให้อุบาสกนั้นนําหน้าคิดจะฟังธรรมนะพระพุทธเจ้านี่แหละสามารถที่จะแสดงธรรมเพื่อบรรเทาความโศกก็เลยเข้าไปฟังธรรมในสํานักของพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วใช่ไหมพระองค์จึงตรัสถาม แต่ว่ามาดูในย่อหน้าข้างล่างบอกว่าเอตมัตถังวิธิตวาที่แปลว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วเนี่ยนะคือทราบโดยประการทั้งปวงนี้ว่าสภาวะธรรมมีโศกทุกข์และโทมนานตะ์นนโสกกะปริเทวะทุกขโทมานต์เป็นต้นเนี่ยมีวัตถุเป็นที่รักเป็นแดนเกิดนะโสกกะปริเทวทุกขโทมานต์อุปาญาตมาจากไหนก็มาจากวัตถุอันเป็นที่รักนี่แหละ เมื่อวัตถุอันเป็นที่รักไม่มีความโศกเป็นต้นเหล่านั้นน่ะย่อมไม่มีโดยประการทั้งปวงแม้กระทั่งในคาถาธรรมบทพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้ว่าความโศกย่อมเกิดจากวัตถุอันเป็นที่รักภัยคือความน่ากลัวทั้งหมดก็เกิดจากวัตถุอันเป็นที่รักถ้าหากว่าไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักความโศกจักมีมาจากไหนภัยนี่จักมีมาจากไหนก็เพราะว่ามีบุคคลผู้ทาใจให้มีวัตถุ ให้สัตว์และสังขารอันเป็นที่รักนั่นแหละจึงมีความโศกถ้าไม่มีวัตถุอันเป็นที่รั ก, ก, เ, ปรกเป็นที่พอใจก็จะไม่มีความโศกก็อธิบายว่าบทว่าปิยรู ป, ปะสาตะคติตาเสความว่าติดติดหมายถึงมีใจปฏิพัติมีใจผูกพันในสภาวะอันเป็นที่รักมีรูปประคันเป็นต้นที่จริงรักรูปหรือรักความสุขที่เกิดจากรูปกันแน่ อันนะั้พูดเต็มๆก็เอาทั้งสองอย่างนั่นแหละรูปก็รักแต่ที่รักมากก็คือความสุขที่เกิดจากรูปอันเป็นที่รักถ้ารูปนั้นอ่ะนะถึงว่าเออจะรูปดีขนาดไหนแต่แตามันให้แต่ความเครียดนี่เอาไหมไม่เอาใช่ไหมก็เนื่องจากว่ารูปเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยก่อให้เกิดความสุขนะนะก่อให้เกิดความสุขสุขนั้นเป็นกุศลอกุศลก็ตามเถอะแต่สรุปว่าถ้ารูปใดเป็นที่อ่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขเนี่ยนะนะรูปอันนั้นเรียกว่าปิยรูปสาตรรูป อะไรบ้างอะปีรูปสารูปภายในตัวภายในภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยตาเนี่ยเรารับที่สุดนะได้ยินเสียงนีโลกทั้งหูทั้งหมดเนี่ยเรารักเสียงเราที่สุดรู้กลิ่นทั้งโลกเนี่ยเรารักจมูกที่สุดรู้รสเราก็ยังห่วงลิ้นอีกอยู่ดีนะรับกระทบเนี่ยนะอุณหภูมิขนาดไหนก็รักกายที่สุดเรื่องที่เราคิดถึงเนี่ยเรารักใจเราที่สุดเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปยรูปสาตรูปเป็นที่รักเป็นที่พอใจที่สุดเลย ไอ้ที่เราไปดูอย่างอื่นดูให้มันมากมายจริงๆก็เพราะรักตานี่แหละยังให้ตามันได้ดูไปเยอะๆหน่อยอย่างนั้นอันนี้นี่พูดถึงภายในนะแต่ว่าภายนอกก็ไม่ใช่ไม่รักนะถ้าเทียบอย่างอื่นแล้วก็ปียชนมีบุตรและภริยาเป็นต้นนะก็ยังรักก็เพราะมีภายในนี่แหละก็เลยรักภายนอกไปด้วยรักบุตรรักภริยารักก็รักรักไปเรื่อยเนี่ยก็เลยทาวัตถุเหล่านั้นให้เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมุทัยสัจจะสมุทัยสัจจะในสติปทานสูตรสัจจะสัจจะบัพพะหรือในสัจจะวิพังเป็นต้นว่าอะไรเป็นปีรูปสาตรูปในโลกอัน้อะไรเนอเป็นที่รับเป็นที่ปิยะแปลว่าปิยะนี่แปลว่ารักนะนะสภาวะรูปตัวนั้นแปลว่าสภาวะ ปิยะแปลว่ารักรูปะก็คือสภาวะสภาวะเป็นที่รักสาตาก็เจริญใจเนี่ยสภาวะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกคืออะไรจักขุเนี่ยเป็นสภาวะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกก็รูจักขุตาหูจมกกจกูกลิ้นกายใจอริยะณ์ภายใน6รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมวิญญาณหกภาษา6เวทนา6อะไรเวทนา6สัญญา6เจตนา6และตัณหา6จนถึง ธรรมะตัณหาอันนี้ก็คือพูดแบบสมุทยสัจจะเนี่ยนะสมุทยสัจจะธรรมะ3ามหเนาะสาหรือห0สบต้อง60สินเนาะธรรมะห0สเนี่ยนะอยตนะภายในยหอรยตนะภายนอก6วิญญาณ6กภาษาหกเวทนา6สัญญาหเจตนาหตัณหา6วิตกหกวิจารหกพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลก และถ้าเป็นพระสูตรอื่นๆก็บอกว่านระใดติดข้องในกามเป็นอันมากอะไรบ้างเป็นปีรูปสารูปนาที่นาที่สวนเงินเงินก็รวมถึงทองด้วยนะโคมา้าธาตุชายธาตุหญิงและพวกพ้องเป็นต้นก็อย่างอื่นอีกเยอะนะเพราะเหตุ น, นั้นผู้นั้นก็เลยติดสยบอธิบายว่าถูกต้องด้วยความยินดีในปีรูปสารูปเหล่านั้นคือติดใจในสิ่งเหล่านั้นชนเหล่านั้น ถามว่าเราไหนก็เราผู้ติดข้องอยู่ในสภาวะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเนี่ยปิยะแปลว่ารักรูปะแปลว่าสภาวะสภาวะเป็นที่รักสาธะแปลว่าเจริญใจเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจพวกไหนอ่ะพวกเทวดาและมนุษย์นี่แหละอย่าว่ามนุษย์เลยเทวดาก็ไม่เบาเหมือนกัน เทวดาไปจากไหนก็ไปจากมนุษย์เราเรานี่แหละทำบุญมากๆก็ไปเกิดเป็นเทวดาละอะไรในญาติที่เป็นมนุษย์แนละ้วไปติดญาติในเทวดาต่อไปอีกก็ <c ười> คือพวกเทพเป็นอันมากมีเทพชั um ้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นมนุษย์ชาวชมพูทวีปเป็นต้นผู้มีความทุกข์ทางกายและทางใจปริชณนนาเนี่ยนะหมายความว่าผู้เสื่อมจากสมบัติมีความเป็นหนุ่มเป็นสาว และความไม่มีโรคเป็นต้นเพราะวิบัติแห่งชราและโรคเป็นต้นหมายคาอว่าความหนุ่มสาวมีความชราเป็นที่สุดสุขภาพดีมีความป่วยเป็นที่สุดนะดูแลยังไงก็ทำให้ไม่ป่วยได้ไหมนั้นท่านบอกว่าหนุ่มสาวมีความแก่เป็นที่สุดโรคมีความไม่มีโรคมีโรคเป็นที่สุดชีวิตมีความตายเป็นที่สุดน่ดนะันจะรักขนาดไหนมันก็อย่างนี้แหละ อีกอย่างหนึ่งเทวดาทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทุกข์เพราะชราไม่ป่วยเป็นโรคก็จริงถึงอย่างนั้นแม้เทวดาเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีทุกข์และว่าเป็นผู้มีความเสื่อมเพราะอะไรเพราะมีการไม่พ้นจากทุกข์นั้นเป็นสภาวะทุกข์ของเทวดามันเป็นยังไงเทวดาทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์กยังไงทุกข์เพราะปุพานิมิต ร, รู้ว่าตัวจะตายในีเดือดร้อนไหม พระเทวดาเนี่ยพออะไรผิวหนังเริ่มหมายค่ะว่าถ้าเทวดาที่มีบุญนะเอาเอาพวกมีบุญจริงๆเลยเนี่ยเขาจะมีนิมิตว่าตัวจะตายแล้วคือเช่นผิวพรรณเนี่ยเศร้าหมองลงเหงื่อออกรักแร้ดอกไม้ประจําตัวนี่เฉาลงเนี่ยนะอะไรไม่ยินดีในอาสนะเนี่ยคือว่าตรูแล้วเจดวันเจดวันแบบนับแบบมนุษย์นะพูดแบบเวลาเทวดาก็อีกไม่กี่ชั่วโมงตายละหรือไม่กี่นาทีตัวเองจะตายแล้ว ยิ้มแป่เลยใช่ไหมมีคนที่ยิ้มก่อนจะตายอยู่คือพระโพธิสัตว์เท่านั้นนะโดยมากนะเพราะอะไรเพราะท่านดีใจเหตุผลที่หนึ่งจะได้ลงไปเจริญบารมีอีกสักทีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายใช่ไหมจะได้มาปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีใจแต่โดยมากเครียดทั้งนั้นเลยเพราะอะไรงนะบางทีบางท่านเนี่ยรู้ด้วยเลยว่าตายจากเทวดาแล้วไปเกิดที่ไหนเนี่ยนะ ก็ถ้าพวกมีบุญเยอะๆใช่ไหมก็นึกถึงบุญแล้วไปต่อได้นะเปลี่ยนชั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าพวกบุญไม่มากน่ ะ, ะยิ่งเห็นคตินิมิตปรากฏด้วยในใจหมายถึงอบายเป็นต้นแล้วก็เดือดร้อนแนหะหรือบางทีเนี่ยเทวดาก็ชราเหมือนกันแต่เป็นชราที่ปกปิดขณะเดียวกันเทวดาก็ป่วยเป็นโรคทางใจนะเขาบุยบริวารมากเทวดาก็เดือดร้อนอีกนะ เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเดือดร้อนมากเดือดร้อนเพราะว่ามีน้อยกว่าคนนั้นนะหมายความว่ามีค่าเทียบแบบคนยากทั้งหลายนะเขารวยที่สุดแล้วละ่ะแต่ว่าเขาบอกเขาเสียใจยมากทําไมจึงเสียใจยรวยรวยน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนเขามีตั้งหลายสิบล้านใช่ไหมตัวเองน้อยกว่าเขาอะ่ะก็เลยเดือดร้อนมากมัจจุราชสวัมมัจจุราชสวสัสดชิชนติ ความว่าชนเหล่านั้นไปสู่อำนาจคือไปสู่มือแห่งความตายกล่าวคือมัจจุราชเพราะมีท่าสามเป็นใหญ่เหตุเกิดในคันบ่อยๆเพราะยังละตันหาซึ่งมีปิยะวัตถุเป็นอารมณ์ไม่ได้สรุปแล้วถ้ายังตัดฉั้นธราคะไม่ได้ก็จากคันสู่คันใช่ไหมจากคันสู่ขันจากคันสู่คั น, จ า, ค น, คนจากคันนี้ไปขันไหน no. เนาะจากท้องสู่ทองนะ ถ้าในท้องมนุษย์ค่อยยังชั่วนหน่อยนะแต่ท้องอาับายนี่สิลําบากแต่ท้องมนุษย์ถ้าแม่ไม่รู้แม่เป็นเอชหรือเปล่าก็ไม่ทราบองก็เดือดร้อนอีกแล้วนะแล้วถ้าแม่ไม่มีศีลเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วเป็นแม่ที่ยังไม่อยากได้ลูกด้วยโอ้คิดแล้วเศร้าเลยนะเราะนั้นอยอมม่อย่ามาเป็นมนุษย์เลยแเราลําบากแน่แล้วพ่อแม่ที่มีศีลก็ไม่ค่อยมีลูกด้วยพวกมีศีลก็ไม่มีลูกอีกมันก็ยุ่งอย่างนี้แหละ ทนี้พระองค์ก็แสดงวิวัตะบ้างนะวิวัตะก็คือเยเวทิวาจัรโตจะอปปมัตตาท่วาก็คือกลางวันใช่ัหยรัตตก็คือกลางคืนอปปมัตตาก็ไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนคือคนผู้ไม่ประมาทอย่างมั่นคงย่อมบำเพ็ญอปปมาธาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืน โดยในเป็นต้นว่าชำระจิตให้หมดจดจากอวรณียธรรมคือทำรรอันเป็นเครื่องกลางกัน้นเป็นชื่อของนิวรเนี่ยนะโดยการจงกรมและการนั่งตลอดวันก็คือนั่งนั่งกับเดินเนี่ยสลับกันไปเนี่ยนะเพื่อชำระนิวรจะต้องมีกรรมฐานอยู่แล้วฉหันติปิยรูปังที่แปลว่าละปิยรูปสาตรูปเนี่ยนะคือให้ขวนขวายกรรมฐานภาวนา อันสัมปยุตด้วยสัจจะสี่มนเจริญกรรมฐานที่ที่เป็นอริยสัจสี่เนี่ยนะละปียรูปนะคือปียะวัตถุมีจักรคุปสาธะเป็นต้นอันเกิดจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักด้วยการละฉันทราคะอันเนื่องกับปียรูปสาตรรปนั้นเพราะบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะก็คือตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนตาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาถามว่า ถ้าจะละตัณหาละที่ไหนถ้าจะดับตัณหาดับได้ที่ไหนตาเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาบุคคลเมื่อจะละตัณหาก็พึงละที่ที่ตาเนี่ยนะละละในทีนี้ละอะไรก็ละฉันทราคาละด้วยตะทางข้าประหารวิขมพนาประหารจนถึงละด้วยสมุทเฉทข้าประหารถ้าอริยมรรคเกิดขึ้นทำปริญญาในตาเป็นต้นเรียบร้อยแล้วก็ตัดฉันทราคะได้หมดเลย บทว่าเตเวขนันติอคฆมูลังมัจจุโนอามิสังทุรติวัตังความว่าพระอริยะบุคคลเหล่านั้นใช้จอบอนีนะขุดยังกับขุดญ่าเลยนะคืออริยมรรคขยานเนี่ยขุดตันหาพร้อมกับอวิชชาอันเป็นมูลรากแห่งทุกข์รากของวัตตะเนี่ยนะรากใหญ่ๆเลยมีสองรากคือตันหากับอวิชชามูลรากแห่งทุกข รากทุกทุกคือวัตตะทุกอันนะทุกในวัตตะในภูมิสามวัตตะในภูมิสามนี่แหละเป็นเหยื่อคืออมิตรอมิดนี่แปลว่าเหยื่อเพราะมัจจุคือมรณะจับต้องเพราะมีวัตตะไหนบ้างที่ไม่ตายมีไหมท่านก็เลยถือว่าเป็นเหยื่อของมัจจุราชโดยปกติเป็นสิ่งที่ล่วงได้ยากเพราะสมณะพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง นอกศาสนานี้ไม่อาจกลับได้คือไม่สามารถถอนรากไม่ให้เหลือลงได้เลยนะคนนอกศาสนาไม่ใช่ฐานะที่จะถอนตันหากับถอนอวิชชาได้เพราะตันหาถอนด้วยสมถะอวิชชาถอนด้วยวิปัสนาถอนจริงๆขณะที่สมถะวิปัสนาควบคู่กันไปคนที่เจริญสมถะวิปัสนาอย่างถูกต้องเพียงได้ยินยังได้ยินยากจะกล่าวปยายถึงผู้ ปฏิบัติตามนั้นจริงๆเพราะข้อปฏิบัติที่ชอบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรก็ต้องเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะมันข้อปฏิบัติถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจอย่างไรก็ไม่สามารถถอนตันหาได้จริงๆส่วนข้อที่บอกว่าปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าอัปปมาทปฏิปทานเนี่ยนะก็ยกข้อความใน คาถาธรรมบทสามาวดีวัตถุคือเรื่องนางสามาวดีว่าอัปมาโทอมตะังปะทังปะมาโทมัจจุโนปะทังอัปมัตตานมียัมติเยปมัตตายถามาตาความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายไอ้ไม่ประมาทเนี่ยนะหมายถึงเจริญอริยมัสมีองค์8อริยมัสมีองแปดนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานคําว่าไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายนี่หมายความว่ามัจ8ปนี่เป็นทางแห่งพระนิพพาน มันถ้าเจริญตามมรรคแปดโดยมีสติเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ตายเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายเจริญอากุสนเนี่ยนะยังไงก็เป็นไปเพื่อตายตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกคนผู้ไม่ประมาทเชื่อว่าย่อมไม่ตายเพราะเป็นการปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อไม่ตายใช่หส่วนคนที่ประมาทก็คือคนตายเดินได คนตายเดินได้นั่งได้ยืนได้นี่แหละเอาก็สักได้ว่าลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่างคนชั่วทั้งหลายเนี่ยนะตายหรือเป็นเนี่ยความรู้สึกเท่ากันนะของบางท่านในท่านคิดว่าอย่างนั้นนะได้ฟังข่าวว่าคนนั้นตายแล้วก็ได้ฟังว่าเขามีชีวิตอยู่เนี่ยฟังแล้วได้รู้สึกว่าเป็นคําที่ไม่ต่างกันเพราะว่าถึงเขาอยู่เขาก็ไม่ได้เจริญกุศลอะไรต่อไปถึงตายก็ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นถึงอยู่ก็ทําบาปมากขึ้น พันได้ฟังว่าเขาตายหรือเขาเป็นก็เท่ากันนะเพราะเป็นคนที่ตายคนตายเดินได้นั่นเองนี่เข้ามาหาสูตรที่ที่เป็นพุทธคุณยาวๆเลยนะสุ ป, ปวาสาสูตรช่วงนี้ไม่ต้องห่วงฟังสูตรยาวๆเยอะมากฟังได้วันหนึ่งหลายสูตรหน้าสองร้อยสอง สุ ป, ปะวารสาสูตรเนี่ยนะพูดถึงแม่ของพระศิวลีข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะป่ากุณฑิฐานวันใกล้พระนครกุณดิยาก็สมัยนั้นแลพระนางสุ ป, ปะวารสาธิดาของพระเจ้าโกริยะทรงคันก็คือเป็นญาติทางโกริยะวงนะญาติฝ่ายแม่นะเป็นญาติฝ่ายแม่ พนางสุ ป, ปวาสาเนี่ยมีคันอยู่เจดปีคันหลงอีกเจวันคือท้องอยู่เจดปีด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็จะคลอดก็ไม่คลอดจะคลอดก็ไม่คลอดอยู่เดวันด้วยกันพนางสุ ป, ปวาสานั้นผู้อันทุกขเวทนาเนี่ยกล้าเผ็ดร้อนถูกต้องแต่ก็อดกลั้นความทุกเหล่านั้นได้ด้วยการตรึกสามข้อสมัยใหม่ก็ผ่าเรียบร้อยแล้วนะ สมัยนั้นก็ไม่รู้จะพากันยังไงนะก็ เ, เกิดผิดยุคแน่นอนเลยนะสมัยนีย้ไม่มีปัญหาเรื่องผา่าเรื่องคลอดก็จริงแต่มีปัญหาเรื่องเลี้ยงดูใช่ไหมนี่มาดูต่อไปว่าความทุกข์เหล่านั้นยามที่มีคันเนี่ยนะก็ได้แต่นึกอยู่สามอย่างนี่แหละว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองหนอย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกเห็นปา น, นี้ว่า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 ปฏิบัติดีปฏิบัติดียังไงก็คือปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็นปานนี้นี่แหละอย่างที่สบอกว่านิพานซึ่งเป็นที่ไม่มีทุกขเห็นปานนี้เป็นสุขดีเนาะอันนี้เราตรึกสข้อจริงก็ตรึกถึงพระรัตนตรัยะน ะ, ไ ม, ะ ไ, นะไม่ใช่อันนัไม่ใช่พุทโธธรรมโมสังโฆไม่ใช่เอ่ยแค่นี้ะนะแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจในพระพุทธคุณเป็นอย่างดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ทำเอ่อตรัสรู้ แล้วพระองค์แสดงธรรมก็เพื่อละทุกขอันนี้นี่แหละละทุกขที่อะไรละทุกขที่ตัวเองก็มีคันด้วยถ้าหากว่ายังตัดฉันนราคะไม่ได้ตัวเองก็ต้องกลับไปนอนในคันอีกเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมเพื่อละทุกขที่เกิดจากการเกิดในคันเป็นต้นนั่นแหละพระสงฆ์สาวกก็ปฏิบัติเพื่อกําจัดทุกขเหล่านี้นิพพานนี่ไม่มีทุกขเหล่านี้เลยใช่ไหมนิพพานนี่จึงเป็นสุขดีเนาะ ครั้งนั้นแลพนางสุปววาสาโกลยาทีดาเชิญพระสวามีมาว่าเชิญมานี่เถิดพระลูกเจ้าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแลทรงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวตามคำของหม่อมชันจงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภัตน้อยพระโรคเบาบางพระกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังอยู่ความอยู่สาราญว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปว่าสาโกลิยะธิดาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวและทูลถามความเป็นผู้มีพระอาภาน้อยพระโรคเบาบางกระปรี้กระเป่ามีพระกำลังความอยู่สำราญอันหนึ่งขอพระองค์จงทรงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปว่าสาโกลิยะธิดาเนียทรงคันเจ็ปีคันหลงอีกเจ็ดวัน นางสุปววาสานั้นอันทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนถูกต้องแลว้วย่อมอดกลั้นได้ด้วยการตรึกสามข้อนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบหนอย่อมแสดงธรรมเพื่อละทุกขเห็นปานนี้นะใครจะเอาไปเจริญก็ได้นะถ้าไม่สบายเมื่อไหร่ก็นึกถึงอย่างนีน้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปฏิบัติดีหนอปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็นปานนี้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 พระนางสุ ป, ปวาสาโกรยาธิดาจงเป็นผู้มีความสุขหาโรคไม่ได้คลอดบุตรหาโรคไม่ได้เถิดพุทธพจน์นี้พอพูดจบนะคลอดลูกเลยก็เลยพระนางสุ ป, ปวาสาโกรยาธิดาทรงมีสุขหาโรคมีได้ประสูติพระโอรสผู้หาโรคมีได้พร้อมกับพระดำรัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าเดี๋ยวตอนหลังจะรู้ว่าอัตถกถาบอกเลยนะว่าเหตุที่ ท้องอยู่7ปีกับคันหลง7วันก็เพราะสั่งปิดเมืองเนี่ยนะเป็นแม่ของพระราชาอนะให้ไปโจมตีเมืองหนึ่งก็บอกไม่ยากบอกลูกทําตามแผนของแม่ทํางานปิดเมืองเลยนะปิดเมืองปิดประตูใหญ่แต่ก็เปิดประตูเล็กเปิดประตูย่อปิดประตูเมืองเนี่ยเปีแล้วก็สั่งให้ปิดประตูเล็กอีก7วันมันกรรมอันนั้นตัวเองก็เลยเนี่ยต้องอุ้มท้องอยู่7ปีกับ7วัน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 ได้ทรงเห็นพระนางสุปปวารสาโกรยะธิดาทรงมีสุขหาโรคไม่ได้ประสูทธ์พระโอรสผู้หาโรคไม่ได้พระศิวลีก็อุบัติขึ้นด้วยประการชนีแลนะลูกก็คือพระศิวลีนี่แหละมันเห็นพระศิวลีเนี่ยนะบอกโอ้ยปรารถนาอะไรนะคนชอบไหว้พระศิวลีศิวลีจะมาหาเทโรเป็นต้นเนี่ยเพื่ออะไรขอลาบสิก็นึกถึงว่าท่านก็เนี่ยมีลาบคืออยู่ในครันตั้งเจ็ดปีเนี่ยนะตรงนี้ไม่ค่อยนึกนะนึกขอแต่ลาบอย่างเดียว ท่านแล้วได้ทรงดำรํำริว่าน่าอัศจรรย์จิงเนอไม่เคยมีมาพระตถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็แลพระนางสุปปวารสาโกลยาธิดานี้ทรงมีความสุขหาโรคไม่ได้คงจักประสูตรพระโอรสผู้หาโรคไม่ได้พร้อมกับพระดํารัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เป็นผู้ปลื้มใจปีติเบิกบานโสมนัสมากะนะแหมาสามีก็ดีใจเป็นธรรมดาใช่ไหมบอกรู้ว่าภริยาคลอดแล้วก็ หาโรคไม่ได้ก็ดีใจมากเลยนะเพราะพุทธพจน์คำเดียวแท้ๆเนี่ยนะดีจริงๆมาก็กบอกว่าในในทั้งหมดเนี่ยนะขยายคำเดียวพิสดารที่สุดคือตถาคตมีฤทธิ์มากคำว่าตถาคตเนี่ยอธิบายยาวที่สุดอัตกถาค่อยว่าตอนหลังนะครั้งนั้นแลพนางสุปววาสาโกลยธิดาทูลเชิญพระสวามีมาว่าข้าแต่พระลูกจเจ้า ขอเชิญพระองค์เสด็จมานี่เถิดเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวตามคําของหม่อมชันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปวารสาโกรย่าิดาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวอันึ่งขอพระองค์จงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุปวารสาโกรย่าิดาเนี่ยทรงคันอยู่เจ็ดปี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 สวามีก็ทําตามที่พระนางสุปวาสาขอร้องทุกประการสมัยนั้นเลยสมัยนั้นเนี่ยอุบาสกคนหนึ่งนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่ อ, อ, อด้วยพัดในเพื่อจะฉันในวันวันพรุ่งนี้อยู่แล้วซึ่งอุบาสกนั้นก็เป็นอุปถาคของท่านพระมหาโมกขลานะคือพระพุทธเจ้ารับนิมนต์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครั้งนั้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกท่านพระมหาโมกขลานะว่า มานี่เนี่โมกคลานะท่านจงเข้าไปหาอุบาสกนั้นครั้นแล้วจงกล่าวกับอุบาสกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระนางสุปววาสาโกระยะทีดาทรงคันอยู่ถึงเจปีมีคันหลงถึงเจวันบัดนี้พระนางทรงมีสุขหาโรคไม่ได้ประสูตรุพระโอรสผู้หาโรคไม่ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพัตตาหารสิ้นเจวันพระนางสุปววาสาโกระยะทีดาจงทําพัตตาหารสิ้นเจ็ดวัน อุปถากของท่านนั้นจากทาในภายหลังวันที่แปดขอยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพิสุส่งไปฉันก็แล้วกันเรียกว่าขอไ ป, ไปขอเลื่อนเลื่อนเลื่อนฉันนะนะเลื่อนฉันไม่ใช่ไปฉันพุ่งนี้แล้วอีกวันที่จากนี้ไปวันที่8ดจะไปฉันให้เหมงอนนทีนี้พระโมคขลานะก็เข้าไปหาอุบาสกอุบาสกนี่ตอบว่ายัางไง ร, รู้ไหมบาสกก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญ ถ้าพระมหาโมคคลานะผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ประกันสามอย่างนี้ได้ก็ น, นิมนต์ไปฉันก่อนได้เลยงนั้นขอให้พระผขอให้พระโมคคลานะรับประกันสามอย่างหนึ่งภคขสมบัติสองรับประกันชีวิตสรับรับประกันศรัทธาขอถ้าหากว่าพระโมคคลานะรับประกันภขสมบัติรับประกันชีวิตรับประกันศรัทธาของกระผมได้ไซ พนางสุปววาสาโกรยัติดาจงทำพัตตาหารสิ้นเจวันเถิดกระผมเนี่ยจะนิมนต์มาทําบุญในภายหลังพระโมกขลานะนี่บอกว่าดูอาบุโซดูก่อนท่านผู้มีอายุฉันจะเป็นผู้ประกันธรรมะสองอย่างคือพวกกสมบัติและชีวิตของท่านส่วนท่านเองเป็นผู้ประกันศรัทธาโอ้ยศรัทธานในใจใครไปประกันให้ใครไม่ได้หรอกแต่ตรวจดูแล้วสมบัติของท่านเนี่ยภายใน7วันไม่เสื่อมท่านไม่ตายหรอกภายในเจวัน แต่ว่าใจของท่านรักษาเอาเอง <c oughs> ใครจะไปรักษาใจให้ใครได้ใช่ไหมโดยเฉพาะใจที่เป็นศรัทธาเนี่ยนะหลายๆแห่งเนี่ยเวลาเขากล่าวว่าศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่รับประกันยากก็จะยกข้อความตรงนี้ไป <c oughs> บอกว่าพระโมคคลลานะยังไม่รับรองศรัทธาเพราะนั้เขาบอกว่าเออตอนตอนต้นมีศรัทธาตอนหลังไม่มีศรัทธาไม่ต้องเศร้าใจห ร, <c oughs> หรอกเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละศรัทธาเนี่ยพระโมคคลลานะยังไม่ประกันเลยอุบาสกนี่ก็เป็นคนที่แน่จริงๆเหมือนกัน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 ข้าพระองค์ให้อุบาสกนั้นยินยอมแล้วพระนางสุปวาสาโกรยัติดาจงทำพัตตาหารตลอดเจวันอุบาสกนั้นก็จะทําในภายหลังพระเจ้าค่าครั้งนั้นแหลพระนางสุปวาสาโกรยัติดาก็อังคาดคือประเคนจัดของถวายภิกษุ ส, สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาชนียะด้วยขาชนียารโภชนียารอันประณีตก็คือของ mm. ของขาวหวานธรรมดานี่แหละด้วยพระหัตของพระนางสิ้นเจวัน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 ก็บอกว่าพระอสิติเนี่ยนะท่านจะรู้ตัวในการสอนคือเวลาลงสู่คันเนี่ยท่านรู้เวลาอยู่ในคันเนี่ยรู้แต่เวลาคลอดไม่รู้เพราะฉะนั้นพระศรีวลีเนี่ยท่านรู้นะตอนที่ท่านอยู่ในคันและท่านเดือดร้อนเนี่ยรู้พระปัจเจกกับพระอสิติมหาสาวกนีตอนอย่างลงสู่คันเนี่ยรู้ว่าอย่างลงสู่คันตอนอยู่ในครนเนี่ยรู้แต่คลอดไม่รู้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะสบายมาจากไหนเนี่ย อยู่ในท้องเปื้อนด้วยเลือดกินน้ําครัมอยู่ถึง7ปีเนี่ยลำดับนั้นแหลพระนางสุปปวารสาโกรยะธิดาก็มีพระไทยชื่นชมเบิกบานปีติโสมนัสว่าบุตรของเราได้สนทนากับพระธรรมเสนาบดีดีใจมากลูกเรานี่เก่งมากคุยกับพระได้ดูสิคุยกับภาษารีบุตรด้วยดีใจมากพระพุทธเจ้าก็คิดแบบพระพุทธเจ้าเองนะ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 ครอบงามคนผู้ประมาทโดยความเป็นของน่ายินดีพระอาจารยสรุปว่าทุกเนี่ยนะที่ไม่น่ายินดีเนี่ยตอนมันมาเนี่ยขามามาพร้อมกับความน่ายินดีทุกอันไม่น่ารักย่อมครอบงามคนประมาทโดยความเป็นของน่ารักทุกย่อมครอบงามคนประมาทโดยความเป็นสุขทุกเนี่ยนะทุกที่ไม่น่ายินดีมันมาพร้อมกับของน่ายินดีทุกขที่ไม่น่ารัก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 พระนางสุปปวาสาคำว่าสุปปวาสานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาเป็นรา ช, ชบุตรีของเจ้าโกลยาเนี่ยนะก็เป็นกษัตริย์เชื่อพระวงศ์นะเชื่อวง์ของพระพุทธเจ้าแต่เป็นฝ่ายโกลยะก็ปกติก็จะแต่งกับฝ่ายสักยะเนี่ยโกลยะสักยะก็จะแต่งงานกันไปอินเดียครั้งที่แล้วไปเฉพาะสักยะเนี่ยนะเมืองกบิละพั์ไม่ได้ไปที่โกลยะนะครมีโอกาส ก, าก็จะไปเที่ยวเหมือนกันเมืองนั้นดียังไง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 แล้วน้อมเข้าไปถวายโดยความเคารพพระนางนี้ถวายสังพัตธ์และปาติปุรตรกุลกัปธ์วันละแป0รที่ก็นิมนต์พระภิกษุภิกษุณีฉันประมาณวันละ800รูปทุกวันเป็นเจ้าฟ้านะเป็นลักษณะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ทําได้อย่างนี้อยู่แล้วผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเข้าไปบิณฑบาตอย่างตระกูลนั้นไม่ได้มีมือเปล่าไปพระนางนั้นมีการบริจาคอย่างเด็ดขาด ทำบุญแบบไม่อาลัยอาวรณ์ไม่เยื่อใยเลยนะมีมือสะอาดยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในทานและการจำเนกทานด้วยประการชนีก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามากเป็นพระโสดาบันด้วยนะไม่ตรณีเลยเป็นผู้ที่มีความสุขกับการทําบุญก็แสดงว่าตอนนี้ก็คงถ้าดูตามนี้ก็นางคงอยู่ในสวรรค์นะนะเพราะไม่ได้กล่าวว่าบรรลุคุณชั้นสูงเพิ่มอีกอะไร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 ด้วยบาประกรรมบางอย่างนั่นเองเธอบริหารคันนั้นอ่ะอุ้มท้องอยู่ถึง7ปีและได้เป็นผู้มีคันหลงอีก7วันเพราะฉะนั้น7ปีนี่ไม่หนักเท่าไหร่แต่7วันสุดท้ายนี่สิหนักสาหัสมากเขาบอกว่าเพราะว่าคันแก่เต็มที่เนี่ยเวลาจะคลอดถูกลมกรรมมชวะทำให้ปั่นป่วนพลิกกลับไปกลับมาเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่าง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 ขนาดพระโสดาบันนะัยังยังอย่างนี้เลยหเหมือนกันเถอะตอบว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระเจ้าโกศลองค์หนึ่งทรงกรีทายกองพลใหญ่มายึดเอาเมืองพาราณสีทรงปลงพระชนของพระราชานั้นก็สถาปนาพระอัครมเหสีของพระราชานั้นให้เป็นอัครมเหสีของพระองค์คือกษัตริย์โบราณนี่ก็ถือว่า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 ลูกจงตัดขาดการสัญจรทั่วทุกทิศล้อมกรุงพาราณสีเอาไว้แต่นั้นพวกคนในกรุงก็พากันลำบากเพราะหมดเปลืองสิ้นสเสบียงอะนะหมดน้ำหมดอาหารก็จักจับพระราชามาสแสดงเว้นการต่อยุติเสียเลยเนี่ยนะก็ไม่ต้องไม่ต้องมารบไม่ต้องอะไรกันหรอกใช้วิธีล้อมเมืองอย่างเดียวว่างั้นนะ่ะแม่นี่ก็นะหัวดีแต่ว่าวิบากไม่ดีเนี่ยนะ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 ราชกุมารนี้พอฟังข่าวสารของแม่ก็เลยทําอย่างนั้นถึง7วันเนี่นะสั่งปิดประตูเล็กทั้งหมดชาวพระนครเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้วันที่เจก็เลยตัดหัวพระราชามามอบให้แก่ราชกุมารอย่างในสามก๊กอย่างนี้เลยสามก๊กแบบนี้หลที่แข่ก็เหมือนกันเนาะพระราชกุมารนั้นก็เสด็จเข้ายึดราชสมบัติคืนเพราะผลกรรมที่ล้อมพระนครไว้ถึงเจปีในครั้งนั้น บัตรนี้พระองค์นี่ติดอยู่ในโลหิตากรมพีเรียกว่าโลหิตแปลว่าเลือดนะนะหม้อเลือดหม้อเลือดก็คือเนี่ยอยู่ในบ่อน้ําครรมเนี่ยของพระมารดาเจ็ปีแต่พระล้อมกรุงเอาไว้เจ็ดวันโดยเด็ดขาดจึงถึงความเป็นผู้คันหลงถึงเจ็ดวันที่เจ็ดวันนี้ก็ทําไมจะไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าปิดบ้านเมืองนี่มันอดอยากมากนะน้ำก็ไม่มีดื่ม ก็พระองค์นี้เป็นผู้เลิศด้วยลาบเพราะอนุภาพที่ถวายมหาทานและตั้งความปรารถนาที่บาทมูลของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่าขอเป็นผู้เลิศด้วยลาบและที่ถวายน้ําอ้อยและนมส้มมีค่าหนึ0งพกหาปณ ะ, ะพร้อมชาวเมืองแล้วได้ตั้งความปรารถนาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านก็บอกว่าพระพระีวลีรูปนี้เนี่ยตอนหลังก็บวชนะบวชแล้วเป็นพระาสฐานเป็นผู้เลิศด้วยลาบ ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปในทางกันดานเนี่ยจะให้พระศรีวรีไปด้วยถ้าพระศรีวลีไปนะพระพิสุไม่มีอดแม้แต่รูปเดียวจะอิ่มกันหมดเพราะว่าท่านเลิศด้วยลาบมากคนไทยก็เลยนับถือมากนะเราอยากได้ลาบม้างก็ถ้าเดือดร้อนแล้วมันก็ลำบากอะเนาะฝ่ายพระนางสุปวารสาอุ้มคันอยู่ถึงเจ็ดปีคันหลงอีกเจ็วันเพราะตัวเองเนี่ยส่งข่าวสารเนี่ยนะเจ้าของแผนการใช่ไ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 แต่ว่ามันก็ทำใจไม่ได้ใช่ัหมแต่นี้นางก็เวลาปวดอย่างนั้นก็เบนประเด็นซะเปลี่ยนอารมณ์ไม่คิดถึงความเจ็บปวดคิดถึงพระรัตนตรัยแทนอธิบายว่าสัมพุทโวตตะสัมพุทโตก็คือสัมพุทธเจ้านะสัมพุทธเจ้าหนอโดยศัพท์ก็เลยว่าสัมพุทธเจ้าหนอพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าเป็นนาะแห่งโลกนาะแปลว่า เป็นที่พึ่งของโลกเพราะเหตุมีความเป็นผู้มีภาคยธรรมเป็นต้นมีภาคยธรรมนี่เราเคยกล่าวไปบ้างแล้วใช่ไหมเราที่หน้าไหน น, หนั่นแหละภาคยธรรมเป็นต้นก็ไปดูหน้าส8ดนั่นแหละย้อนไปดูหน้าส8ดจากที่กล่าวถึงพักวากล่าวถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะคำว่าพักวาเป็นต้น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 ซึ่งพระอริยสงอ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินสู่ปฏิปทาเป็นเหตุไม่หวนกลับมาในวัตตะพันข้อปฏิบัติก็คืออริยยะปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วนี่นะก็คือเพื่อพระนิพพานนั่นแหละพันพระสงฆ์เหล่านั้นปฏิบัติเพื่อละวตตทุกเห็นตานี้คือเช่นนี้ปฏิบัติเพื่อดับคือเพื่อไม่ให้เกิด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 ไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะที่ทุกๆมาเจ็วันได้แต่ละเลึกนึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังกัคุณก็เลยอ้อนวอนสามีใช่ไหมให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าถึงไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าพระบาทของพระพุทธเจ้านี่มีสิริดุจ ด, ดอกประทุมเย้มที่ประดับด้วยจักร ล, ลักษณะคือถ้าฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีกงจักนะจะมีรูปจักอยู่ด้วย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 เหี่ยมก็โฉบเอาลูกคนเล็กเนี่ยไปก็นึกว่าชิ้นเนื้อก็เลยโบกมือไล่เหี่ยมเนี่ยนะไอ้ลูกคนโตก็นึกว่าแม่เรียกก็เลยลงไปกระโดดไปในน้ําหายไปกับน้ําหมดอะไรตายอย่างเลยคันเนี้นะร้องให้หนักกว่าเดิมอีกก็ยังไม่ทลา่นะเขยังนึกถึงพ่อถึงแม่อยู่นะสามีและลูกจะตายไปก็ยังเหลือพ่อเหลือแม่พอระหว่างนั้นก็เดินกลับมาก็ถามว่า